ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าพระบรมศาสดาจะดับก anyway> ันเสด็จดับการปิบิรมมานานนับศาสนาอยู่การของพระบรมศาสดาก็รมา2 5 5 2 5 3เลนะพรรษาแล้วก็ดีเนี่ยถึงการนั้นทั้งปงมีเดกกนานก็หาล่วงรับกลับไปเหมือนลูกเบญญาสัญญาลูกสาวพญามงคขมัยังฝังแน่นอยู่ในดวงใจของเราและต่างๆอยน ถ้าคุณบอกว่าบนภาศาสตร์ไม่มีใครในโลกที่สามารถจะประมุนทำพรรณ้านที่สุดลได้ดังนั้นหรับที่บอกว่าอ า, า, าตาสานิจตาวา ที่เป็นไปในจักรวาลทสิ่งที่เป็นไปโลกทไปอากาศก็ดีจักรวาลก็ดีบรรดาหมู่สัตว์ทุายมีสาิพและในสามพนั้นทุกจักรวาลก็มีสพเลยนะไม่ว่าจะอากาศก็ดีจักรวาลก็ดีอมู่สัตว์และพุทธุณสอย่างนี้หาที่สุดเมได้ไม่สามารถที่จะ แม้ถราวัง <interpret> พ <ations> ีสาสเฮระก็ก่าวชมเชยบอกว่าภาษาโกู้ได้นรวิชาสคือปวกเทนิวารสมสตยานคือยาที่เป็นไปแตสติตามลึมชาถึหลังมีเได้จุดตูปปาปาาณคือาที่รู้จติดและปฏิเที่ต้องสัตทั้งายอาสวัยายานคือาที่ทอาวคือการมอาสวัตวาาสวัติธาาวววิชาอาวิสิในไปนี้นะภาษาโก รัมัจจุราตด้ก็หมายความว่ามัจจุมามารีมาตายเนี่ยสาวกที่บรรลุเป็นพระารีตัดได้ขาดเลยนมาหล่านี้ไม่สามารถที่จะต้าร่วมกระแสฐานธาตุอะนี่ยไ้นานแบบนี้นะเพราะท่านวันนั้นท่านต้าร่วมความตายล้วยังพากันแวดล้อมพระมหาบุรีผู้ประทับอยู่ที่ทางภูเขาภาษาลวหล่านั้นก็พาการแวดล้อมพระมหาบุรผู้ทรงอ์โดยสมบัติทุกอย่างทรงถึงฝั่ง ว่าอะไรคือฝังถิ่นทุกข์คือบรมธรรมบรมธรรมก็คือธรรมที่ ท, าทํทาให้ค่าฝั่งปกติอย่างเราเนั้นยังไม่ถึงฝังถิ่นทุกใช่ไหมเราท่านทั้งหลายที่ยังประสบปัญชาถิทุกข์ชาทุกข์พยาถิทุกข์วรณทุกข์โสตตานีาน้ดีว่าถูกต้องวระราาและปุบารยะเรานั้นยังไม่สามารถเข้าถึงที่ที่สุดในฝังก็คือยังไม่สามารถบรุนบรมธรรมบรมธรรมนั้นคือทรมที่สูงสุด กล่าวคุณพรนิพานในที่นั้นหมายถึงหารปาพาปรณนิพพานเมื่อเราทถามบอกว่าภาสามโลกเหลานั้นพากาแวดล้อมพระมหาพมีผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกอย่างทรงถึงฟังเห็นทุกแล้วทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณมากมายพระคุณของพระรมศาสดาไม่ว่าจะทศกัณฐ์สิบหกเวทีกัะจังสิบแปพุทธญาณสิส่แล้วก็เวสา น, านัเทญาณสี่ทุต้น แม้บรรดานักกล่าวในยุคต่างๆจึงพากันพรรณนาคุณของพระผู้มีพระภาคย้าติงปัญญาประณีตก็ไม่อาจจะพรรณนาได้หมดสิน้นดังนั้นพระผูพคุนั้นมีมากเป็นอเนันันํสมดับที่ท่านพระประาอาจารย์ได้กล่าวไว้บอกว่าพุทโธปิพุทธสังคเนยวานาังกับปัมมิเย นั้นคือหมดสิ้นไปในการในช้างานแต่รักคุณของพระบรมศาสดาไม่ได้หมดสิ้นไปไม่สามารถที่จะหมดสิ้นไปเราท่านหลายท่ากพิจารณานนะี้ว่ากับหนึ่งที่บอกว่ากว้างสกิโลเมตรลึกสิกิลเมตรยาวก็16กกิโเในบรดาความาหาหลึลกความก้างขนาดนี้ขนั้นเนี่ยรอยปีก็อเอาไปเล่นกัน จะมาเล่นการปรกาศนันเต็มหลุนั่นแหละก็ยังน้อยกว่ากประมาณขนาดนี้กลับหนึ่งมากเฉะนั้นพระบรมศาสดาถ้าจะอยู่ตลอดกับแล้วพัราชยาไม่ได้พูดเรื่องอ่ลยพูดเรื่องการสร้างปรมีมาี่สิสองเนี่ยว่าเคยเป็นอะไรมาบ้างเขาก็อมตรรู้ละเอียดใช่รา นั a, ่นแหละคือวิธีคิดถึงบอกว่าสากโลกอย่างเราท่านทั้งหลายนั้นนไม่พึงคิดเขาก็ไม่พึงคิดในที่นั้หมายความว่าไม่พึงคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลแต่พึงคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลก็ืได้ตามดวเป็นญาณจะได้เองนใของนั้นทีนี้ห้องของปัญญาแต่ละบุคคลไม่เท่ากันบางท่านเนี่ยสภาพของปัญญานี่ยสามารถที่จะคิดได้กว้างคิดเป็ แต่บางท่านนั้นคิดได้กว้างแตความเรืงคิดไม่ได้คนคิดลึกได้วางไม่ได้ในาก็ได้ใจนีบางคนก็คิดได้น้อยคิดเกินเนี่ยแต่ปริมาณของปัญญาที่คิดได้นีนอยู่ที่ปริมาณที่ศรัทธาที่แต่ละคนถ้าภาษาอุบลคิดคุณพระพุทธเจ้าจะคิดได้มากโอ้ชันภาษาอุบลมีศรัทธามากเพราะภาษาอุบลมีปัญญามากภาษาุแคแล้วก็มีศรัทธามากภาษาอุ่น้รงเป็นตวถ้าเขารียปพุทธเจ้าคิดคุณพระพุทธเจ้า ถ้าพรพุทธเจ้าในการชิคุณของพระทเจ้าได้โดยหาคนนี้อย่างเราท่านท่านหลาชิคุณของพระเจ้าก็ได้ประมาณความความรู้คากสามารถละกเข้าใจใจทุกคนบางท่านน่ชิปุของพระุเจ้าไม่ได้เลยได้พุทโธคำเดียวหายใจเท่าก็หายเทนช่ไมอันนั้นก็ต้องไม่เป็นไขอคิปได้เลยพระเจ้าบอกว่าบอกให้บอกแกนตามบอกว่าบอกแก หมายเรามว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเราอาแค่ศรัทธาเทียมเอาเอาตัวมิจฉาทิพย์พวกเช่นเราศรัทธาในการที่จะสร้างฐานะเราศรัทธาในการที่จะประกอบอาชีพการงานเรามีความเพียรเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาแบบสามัญธรรมดานีในการที่จะประกอบอาชีพการงานในการจะสร้างฐานะในการที่จะเรียนหนังสือในการที่จั ใช้ชีวิตรู้ยู้รู้สัตั่งิญาณอะไรแต่ที่เรามีสัทธาเรามีวิญาะสติสมาธิปัญญาแกบสามัญมัแต่ของเราที่ทำทาไปนานแบบสามัญธรรมดาเรายังสามารถคลิกโอกาสของเราให้คึ้มาอยู่ในฐานะตามสถานะที่แต่ละบุคคลนั่เราองมาคิดดูเห่นถ้าเราจะทำศรัทธาเกิดเป็นศรัทธาแท้ๆวิญญาณสติสมาธิปัญญาเี่ยนรเราจะพรศรัทธา บรยสกิสาธิปัญที่แท้จีิแล้วก็เดินตามรอยบาปและศาสดาชิดอย่างที่พระพุเจ้าบอกคำสอนมาอย่างไรเราก็จะคิดตามเพื่อจะได้เป็นปัจจัยในการแทงตลอดใช่ไหมฉะนั้นในลักษณะนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการทําให้เราเข้าถึงอุค์ของมาตรานเได้ท่านบอกว่าช่างดอกไม้หรือลูกมือของช่างดอกไม้ผู้ชํานาญก็ร้อยกรองดอกไม้หลากหลายนานาทีนี่จะเป็นพวงมาลัยอธิดฐานแม้ใั้ใด พระผู้มีพระภาคจ้าพระองค์ั้นสวีพระพักพระคุณมากมายเป็นเอกสวัสดิคุณหลายร้อยฉันนั้นเหมือนกันใครเล่าจัดประดานาุวงศ์ของพระผู้มีพระภาเจ้าได้เกี่ยวกับในเรื่องนี้ในยุค ส, สมัยปัจจุบันนะโดยจะพาะในสมัยรัตรนโกสินทร์เขายอมรับกันในคาถาที่ท่านต่อพันไว้เป็นข้อกลุ่มาบอกว่าสหัสสีเปร เสเสสสตังมุขามุเขมเสตังจิวาชีวะตัโตมหิธิโกนาสโพติจวันตุนิเสสังสัตตุโลคู่หนัฮะแม้อาจะมีกรุษปผู้มีมะหิธิศักดิ์คือมีศักดิ์มากมีอำนาจมากสามารถเนรมิตศีษะได้หนึ่งพันศีษานะมีมัดมิมิตเนรมิศีษะตัวนี้ออกมาเป็นหนึ่งพันแต่ศีษะนั้นก็มีปากรอยปากแต่ละก มี่ามีปากหนึ่งแสนมีลิ้1หนึ่งโกรดคือมีปากมีปากอยู่หนึ่งหนึ่งแสปากแต่มีลิ้อยู่1โกรดหนึ่งโกรดที่เท่าไหร่สิบล้านสิบล้านลิ้นมีชีวิต อ, อ, อ ย, คคยู่หนึ่งกลับไม่ได้ทำกิจวัตรเลยพนันของนพจนิยาเกลับมีสิ้นไปแต่คนของพจนิยมก็ไม่ไม่หมด เอาคิดออกไหมแบบนี้อจะคิดยังไงเจะทำไมบอกพุทธจ้านใช่ไหมพระบรมศาสสดาเนี่ยพันธนาคุณของพระบรมศาสสดาด้วยกันเองกับไม่สิ้นไปคุของพุทธจ้าจนทำไมไ ม, ไม่จบไม่สิน้นเอาเนี่ยมนษุษย์ธรรมดาใช่ั้มที่บอกว่ามีมีหนึ่งพันลิษาที่ไหนแล้วก็มีปากอย สรุปก็คือว่าหนึ่งศีษะมีร้อยปากใช่ไหมถ้าพันธีรษาก็หนึ่งแสนก็คือมีปากหนึ่งแสนมีลิ้นอยู่หนึ่งโกรดคือมีิ้นอยู่สิบลาไม่ได้ต้องเป็น่งพระาชาคุณพระเจ้าจนเรยวเดีกันะจนเกลาบมนสิ้นไปเขาบอกว่าคุณของพระเจ้าก็มีเก่ยไม่สิ้นย่านี่เราจะมาคิดยังไงต้องคิดบอกว่าพระคุณเจ้านี่ย ท่านดีเพราะวาจาเี่เร็วมากเพราะว่าจ้นะของพระเจ้ามันกลับไดรวดเร็วมากฉะนั้นอย่างเราเนี่ยพูดสักร้อยคำพันคำเนี่ยนะเราพูดได้สักคำสองคำพรเจ้าันไปได้กี่ร้อยคำแล้วไปต้นแค่นั้นตรงนี้เพ่ให้เข้าใจในตรงนี้ท่านก็ยกเอาเรื่องของพระธกรมเถรวาจที่มีปัญญามากที่พี่เคยแล้าที่บอกว่า ที่เคยเล่าในตอนช่วงเชา้าแต่ที่บอกว่ามีเรื่องเล่าไว้ในเดียยาคีรีมหาวิหารซึ่งอยู่ในลันกานที่พิศุรูปหนึ่งใช่ไหมเป็นผู้มีมุลวิเศษในพุณศัพท์ศาสนาและก็หนดกิเมีปัญญามากสามจบกระไตรปิฎกแล้วก็ชำนาญในกรรมฐานมีหมู่ความสมุนิบวรํวานดนมากแต่ฌานในคติสัมพิทาญาณสิิทั้ง เป็นที่สักการะบูชาของท้าพญาทั้งดวงพระท่านจะแสดงธรรมพระองค์นมีชื่อว่าการรับพันธะศิษย์ต่างๆวันหนึ่งเป็นวันโสดท่านประกอบการแสดงธรรมในที่เีกลาวทาราคมของพระบรมสาสดาตั้งแต่ตอนที่เย็นๆไปจนถึงเมื่อแสสว่างก็กล่าวเสารอกท่าโมจากตัวเป็นตัวกระจกเวลาท่านกล่าวนี้คนั้นท่าจะกล่าวพร้อมเนี่ยยัยกตัวอย่างเวลา คนก็ที่สุดบริษัทนะท่านกเ็เราพูดบริษัทพระเทล่าก็หาไปยัเสียงนะก็ได้เห็นบีรูปรูปร่างใหญ่ยืนอยู่ที่ข้างหลังบริษัทนั่นเะก็คือเป็นพระเจ้าชื่อว่าพระเจ้าสิทธาปิดสามหาระเป็นกษัตริย์ของรางขานทนี้พนะระเทลาก็อกขอถวายพระพรหมบิพยรา ท่าหมายภาษานุนั้นก็บอกว่าท่านท่านก็บอกว่าการที่โยมเนี่ยยืนฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงตลอดปฐมายามมละชิมายามปัจชิมายามเนี่ยไม่ไม่อัศจรรย์แต่ข้อซึ่งโยมนี้ตั้งใจฟังจนจบไม่ได้ส่งติดไปใที่อื่นเลยเนี่ยอันนี้ยากที่บุคคลอืจะจะทำได้อย่างโยมยองฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้า ยองปีดาที่โยมชมชื่อนอยินดีนะไม่ได้ส่งยินไปหน้าที่อื่นเลยพระพุทเจ้าก็เ่ราะธรเทศนาแสดงสรเ ส, ร ส, รสวยพระพุทธคุณพระมหนากรุณาธิคุณพระปัญญาบุณพระบุิสุทธิคุณที่ พ, พ, พระคุณเจ้าแสดงนี้มีความนึ่ซึ้งแล้วก็สามารถทำให้โยมนนีะ้เกิดปีติปราโมดปฏิ ท, ที่ความผิดและสมาธิได้ ใช่สิางก็บอกว่าขอสวา่างก็พ อ, อสะใจมากคนที่จะทําได้อย่างนี้นะอย่างเราเนี่ยถ้าจะทําได้แบบไม่ส่จงจิตไปนที่อื่นได้ได้หลับฝันใช่ไหมเี่ยคือฟังต๊บเรื่หลับอย่างเงี้ยยา่ไหมเนใครบ้างก็สามารถจะฟังแล้วไม่สามารถจะจิกออกไปนอกเสียพก็ทำมาเดช น, นาตรงเนี้ยตรงนี้ผ่งบอกให้เห็นบอกว่า บุคคลที่มีความศรัทธานั้นถ้าเราย้อนกลับไปเมื่มอพันกว่าีศรัทธายังมันงม่นคงถึงบอกว่าผู้ที่ทรงพนันประเสริฐแล้วก็ยังมีบุตรผู้หนึ่งก็ยังสามารถที่จะฟังธรรมได้ในลักษณะนี้ก็เป็นหองพิจ่ทีนี้พระเถระเจ้าทีนี้ท่านก็มีท่านก็บอกว่าขอให้พระพุณเจ้าเนี่ยช่วยสแสดงธรรมโปรโยอีกแม่คือแค่นี้ยัาไม่หมายความว่า คือคุณของพระบรมศาสดายิ่งฟังยิ่งจับยิ่งจับใจยิ่งฟังยิ่งเกิดความในร้อยิ่งเพิ่มสันตานิยมใหพอให้คุณเจ้ช่วยยกข้อใโยมเยอจงแสดงพระธรรมเจยศสนาอุปมาอุปไมให้โยมนั้เกิดความลึกซึ้งเกิดสัจติสีวิชีสติสมาสติและปัญญสีในคุณของพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเทนะถ้าคารับก็ถ้ากิจการถ้าหลักฐนนั้นจะได้แสดงพระบรมัชกาลโครงการนั้นแล้วก็เป็ตรีเว บอกว่าผ ja, ู้สองคนนั้นปาะเสริยังม yes, ีบุรตรคนหนึ่งไปสู่นาข้าวสาลีอันกว้างใหญ่ไพศาลนะคือนาข้าวนั้นมีความกว้างประมาณพันก็ประมาณพันไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะบุตรคนนั้นแต่เอาข้าวสาลีมารวงหนึ่งคือนาข้าวเอาทว่าเอาจากรวาลก็ได้ไหมนาข้าวที่ผุแนดินไงนะที่งุแผ่นดินเนี้ยเป็นข้าวสาลีทั้งหมดก็มีบุรุษคนหนึ่ง เอารวงข้าวสาลีมาหนึ่งวงในะหนึ่งรวงกมีเปหลยร้อยเมย็ดใช่ไหมายมรย้อยเม็ดก็มาเด็ดออมาแล้วก็ย่อมบอกว่ารวมข้าวสาลีที่เด็ดมาหนึ่งรวงมันมีประมาณน้อยนะักแต่มเมลไดข้าวสาลีที่ยังเหลเด็ดผิวแนเรียงเ้ น, น, นเหล่านั้ น, นมีมากนะ ม, มีมากทีนั้นพักุณขอพระบรมศาสดาที่อาตมา เอยากหเห็นคุณพุทธเจ้ามองแง่รวง้าศาตีแล้วใช่ไกรรมแดนก้าศัตีนี่อยู่ในืนี้แล้วเนี่ยท่านก็อุิมับอกว่ายังมีอีกประการหนึ่งนะเหมือนบุรุษคนหนึ่งอ่ะเอาเข็มยงยเหเขมยเนเขต้องต้อง้นเข็มมันดีรู้เอาเข็มมาต้องลูเข็ม มันวิ่งล่อรูเขียวมันก็มีอยู่ใช่ไหมบอกว่าถ้าทำเกษตรนาของกบรมศาสตร์ที่อยาจะมากาเนี่ยเหมือนน้ำที่วิ่อรูเขียวเท่านั้นแหละแต่น้าที่ยังเหลือนี่มหาสมุทรทั้งสิ้นนะด้วคุณของพระเจ้าที่อยาจะมาไม่ได้ก่าโอ้โหเวลากาบพระ菩萨สำหตืนใจอะบกพเลยขอคุณของบรมศาสตร์ที่ใหญ่นี้นะข้าพเจ้าจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสเมืองเห็นยเพื่อทมาสกา ท่อนที่ว่าบานวิความอัศจรรย์น้ำพุหลงพระเจ้าพิมาที่ว่าอุปมาบอว่าเอาเนี่ยเอาชงโทวีปเนี่ยเป็นกองแล้วก็เอาภูเขาสินเนลุเป็นไม้ตีกองแล้วบุรุษคนหนึ่งก็ไปยืนอยู่บนเขาสินเนลุรูกหนึ่งแล้วก็ตีใช่ตีกองอ่ะตีกองที่ใหญ่เท่ากระจลวานที่ทงซเนี่ยเท่าชงทวีปเพิ่งลุกไปี การเสียงดังของกองนั้ก็ไปได้แค่จักรวาลเดียวเไปได้จักรวาลเดียวนันแหละแต่แสงสว่างพระชนมีพระสุรเสียงของพระบรมศาสดานั่นกว้างไกลไปจนึงแสงโกลจักรวาลสัตว์ในแสงโกลจักรวาลนั้สามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาในขณิทีศาสดาแสดงธรรมทั้งเดียวพอพระพุทธเจ้าแสดงอุกมาลงไยัคันบานา พุทาที่ข้าพเจ้าได้กราพระบธมศาสดาที่ข้าพเจ้าไดน้น ว, นวัดไุพระบรมศาสดาได้ถวายน้าสงได้เดินรอบพระคติ น, นีของพระบธมศาสดาวันละกรอบใช่ไมได้ถวายอาหารได้ปูปทานได้ดูแลได้อาลัษณะให้พระพุทธเจ้ า, นะ น, านั้นมาแสดงธรรมโปรดทิสุภิกษุนีโรบาสงฆ์บาศิกาข้าพเจ้าได้ท ร, ปรงปฏิบัติแน้กว่าเจ็ดเชต ได้กลาได้ดีได้โนเพราะปรมาจาสดาเป็นมูลน้าเด็ท่านตัรตัวปีติปลามเน้ง้นเราเราป็น้าพระเจ้าแสถานที่ต่างๆคิดทห่ได้ดีเด็ดงั้นเราจะไปเที่วไปวาเราจะไ้อุปถัมภ์ปรมาายสดาเราจะเท่าน้ำไปถวายท่านเราดอกไม้ไปดูชาพิของท่านเราให้รู้จักประมาณตนเราจะได้เห็นคุณของพรมศาสดากวางใหญ่ไพศาลขนาดไหนใช่ไหมในรักขนาอย่างเนี้ย แค ah. ah. ah. oh, ่นั้นังที่ได้กล่าวไว้คาสอนที่เอามากล่าวนน้อยนิดไอ้ที่เหลือเนี่ยมากมายนะบางคนบอก้เห็นดีีแตเราไม่บากใช่ไหมยี่อย่างนี้ไปเห็นดีอะไรเลยเนี่ยแต่มาเราทำไมพูดอย่างนั้นท่านซ่อนอ่านซอนเรื่องราวเยอะแยะหมดใช่ไหมแต่เราคิดไม่ออกมีสิจะทยังไงใช่ไหมอีกประการหนึ่งนะข้เตรียบเหมือนสกุลชาติยกไปเห็นโลกแย่งบางกีก็จะได้โลกแย่นลง มางคนก็เล่นอกหนักใหญ่ที่บินมักินลงเคยเหนไหนั่นนกแอดลองตัวนี้น้อยที่มัร่อนสำรานตรงนี้จะพาอะไยในอากาศเพืนอนักาตะที่นกน้อยนั้นเกี่ยวเอาปีกเอาหางที่เกียวไป้ถูกนะมีประมาณน้อยนิดนั้นในกรณีที่อากาศทั้งหลายที่นกตัวนี้เขาบินโฉบเนี่ยไอตัวที่ขาต้องเท้าหางต้องเท้าตัวตัวตัวกระน้อยนิดนั่นแหละถ้าทำ ศนาที่ท่านนั้นนำมากล่าวดีประมาณนี้แต่ที่ยังไม่ได้นำมากล่าวพระคุณขอพระพุทธเจ้าที่ยังไม่มากล่าวเหมือกาอากาศเมืนจักรวาลนี่มาพิจารณาอย่างนี้ท่านบอกโอ้คุณของพระพุทธเจ้าที่มันมากมายนะแต่เราก็คิดไม่ได้คิดไปถึงจรินะเราท่านหลัยก็ลองมาพิจารณาก็จะคุอยังไงถ้าเราก็เข้าใจอิจิมิโสแล้วกรวา ในรัตนามาลาหรือพุทธคุณ่ประการเขาสามารถทำมัหงายได้ทุกสามอินอีติติโสภะภะวานีอะไรอย่านีอย่างคำว่าอีเนี่ยมันคืคำว่าอิโทโศสักันยุติยานังอิฉันโต เมื่อได้สัพพยุตยานมแล้วสัพพยุตานนวราณยานของทูตรมมาสดานแนตลอดการท่อัยตนาสัจจีนีปฏิจจังอันสิ้นมเลยสรุปแล้วระารทอยตนของเราไ้หลากลนะสัพพยุตานของทูตรมาสดานั่นสองูตรวกันแล้วก็รู้ด้วยว่าการท่อัยตนาเหล่านี้ผ่านมาสองพกว่าปีก็ยังไม่ได้ปแล้วก็ไม่ได้รู้จริงๆใช่ไหมเนี่ยมากบมน ยังเมเต็มด้วยราเอขอมหที่ดือว่ามีิจาระในการปฏิบัติตรงแท้จริชชายังไงงน้าด้วยอัตลกษณิที่ถืและกระแสเัที่ถตามว่าเราบเวณป้งานเนี่ยูะเูดีในตู้มากจายใจจับเป็นตัน่ที่เราคิดถึงเริลล่าของเราที่คเราเลยคิดไม่ว่าเปรลูกเราหรือคิดว่าเป็นผมพราดีเห็นไหมความรู้สึเราก็ยังหน้าเนี่ผมของเราผมของเราแดดของเราไปหน้าน ตาที่ขี่นี้กงเป็นเรื่องอัตตาทิ้งไปความนิยมตาอีมัลอยลอยเหนือแม้สุขเวทนาเกิดขึ้นก็บอกเราในสุขใช่ไมแม้สัญญาณตัวประจาต่างๆนี่มันมีให้เราจำได้แม้ความดีใจหรือใจเกิดขึ้นก็บอกใม่เราดีใจเราเองแม้เราเห็นไมแม้จากญยานทำกิจลัษณะคิดินการหยุดระเบิดเรื่องการของเราเองโซนตาวิญญาณก็ทำทัศนาคิดทำกิจใการไยุดระเิดเรื่องการว่าเรา ทางเราพยามทำางนโยบายในารรู้กิแต่เราก็่รู้ว่าเรารู้จิตใช่ความเป็นอัตตาของเรากระชื้นหมดม้นที่กว่าข้าศนะสันติเรามองไมเห็นไม่เห็นความสืต่อกรนกระแสการจักรวาในต้นป็นสคัญขอเราได้ยีนหมดเลยนะโซนนะสันติการสืบต่อของทวารหนูเราก็สำคัญขอเราดยินาสันติทางทวารญูเราสำคัญของเรารู้จิสายนะ น่นะที่ใครกินเรากินเราอลายรอยเราเกดเราไม่เกดที่นั้นก็มีความเราบ่นได้มพุชณะสัติสิริตอรวารการก็ครดีเี่ยมเลยดีกว่าในตั้งใจจะไปบ่นว่าในพระโรมศตั้งใจเราจะไปบ่ามขาวรื่อิพรรมาชีพิมรูปิเดียันเห็นมที่รราพวเราบุญเนาะธรรมทานเข้าไป ก็จะไ้ไปดูตเยรยาจะพูโครการที่บัททีนี่ทก็ไปไปดูหลวงอเพาสร้างอะไรก็เห็นีนีเี่ที่ขสร้างเล่ที่เป็นจริงงใช่เป็นเรอเพื่อเตเราไม่รนคิถ้าลูกของพเจ้าก็เได้พูดพูยามีความงามขนาดที่เรามที่มาทนเนหลายีงานนม่หายที่ได้ยินพุทธเจ้าสืาของเขา ก็เลยเห็นตรงนี้ยคช่ไหมต้อะไรใช่ไเนี่ยตรงนี้ว่ากรนีที่บางปีเนี่ยความไม่สะอาแล้วมันไม่แค่นั้นใ้่ไหมเมื่อสำคัญว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้ยินเราเห็นรับเราสัมผัสเราถูกต้องเนี่นะตลอดถึงจิตนาสันติเราคิดถูกไหมแล้วก็พอเราฟังทางปุ๊บเราเข้าใจใช่ไหมมันจะมีเราตํากัดาป็นคดย นี่เขาเรียกว่าสังติความสื่อต่อจักรวาตาของจุลินทรีย์ใจเราไม่เคยเห็นมองเห็นความสื่อต่อการขาดตอมความคิดไม่เห็นกระแสขันท่าในจุลินที่มันไหลไปทางตาของจุลินทรีย์ใจเลยอันนี้บอกบอกว่าอัตาหนีหนุแน่นมนี่เขาเรียกว่าสักยะทิจฉิแล้วแค่นั้นพอไหมไม่พอใช่ไหมถ้าเรามีอะไร อันนี้อ hmm, so ันน so like so ี้แบงไงยผู้ชายเรามากเสื้อไทยแทเสื้อเราดีมากใอเกียวหมูมาหยเราใส่หมูมาหยิาางคนต้องคอองมาเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ใช้ยีน้าไปลงไหถ้าใครจะบอกยีน้าไปวมเราเถียงตายเองไอ้ก็สเนี้ทองี่ไหมเห็นไหมเราเห็นผิดกันหมดเลยอะเราไ่สาคัญเข้าใจกิดหมดแล้วถู เราถูกย้อมด้วยความเข้าใจผิดมาอย่างยาวนานในศาสนาวันี่ก็เรียกอัตถิยะสิ่งที่มันเป็นตนนั่นมันไม่ใช่แค่นั้นนะอัตถิยะยังมีสองส่วนนะส่วนที่วิญญาณทองกับไม่มีวิญญาณทองถ้ามีวิญญาณทองก็ลูกเร า, รเาสามีเราภรรย า, ยาของเราเพื่อนเราพ่อเราแม่ แล้วก็มันก็คนนี้ไม่ถูกกับเราโอจะมีป้ายอะไรก็มีอันนี้อาการอัตยามันก็ฟังแน่นเนี่ยเขาใจอย่างมันขอนตัวนี้อะไรอย่อันนี้คือเชื่อองบาปปิทิบาปบาปฏิทิและบาปกรรมทัอคุโสร่าทํามวาชั่วช้าเรส ก, กายก็เไหลตามเเพราะมันมีบาปปฏิทิและสัาทิทิฐที่ฟังแน่นในตะ ฉะนั้นตรงนี้จะถอได้ด้วยอะไรวิปสัสสน า, น า, าสัมมาทิฏฐิลัได้โดยการทัตมะหมรรคสัมมาทิฏฐิจะถอนด้วยสมุทัยได้ตระมาณอันนี้ก็เลยมิจัานายอยู่นี่ฉะนั้นทุบรมศาสาที่เน้ยท่านสิ้นตามาสวะปวะสวทีฏฐาสาวะเนี่ยตัวทิฏฐิตัวสัญยะทิฏฐิอะพระองคมันถอนเกลี้ยงหมดแล้วอย่างเางาราทั้งหลายยังมีตัวนี้แหละซึ่งมันเป็นบอ ก, กิดแกความเข้าใจ เมื่อยังมีความเข้าใจผิดตัวนี้ก็เป็นเหตุทำให้เราท่านก่าเป็นท่องเที่ยวเขาเรียกว่าเราเนี่ยจะต้องเดินทางกนอีกยาวไกลในศาสนาวราแล้วตียังไม่ได้ยังวางแผนการเดินทางยังไงจะมาท่าประชุมกันอยูเนี่ยยังไงวางแผนกันยังไงปัจจุบันเราพบนี่มันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ยังมีโอกาสในการที่จะฟังว่าทําได้แล้วพอจะรู้เรื่องพอจะเข้าใจอย่าี้ยแต่ถ้าถามว่าเราพบหอเ แล้วจะต่อต่อไปอยู่นะเราจะทํายังไงเนี่ยถ้าเราสอนทิฏฐูตนงใจทุกวิถีวิธีคือความเผิดถิ่นฝังแน่นในตัวเราขันของเราเลยเราถอนออกไม่ได้ใช่ไหมครัถ้าเราถอนออกไม่ได้เนี่เราเสียหายเราวิบัติไงทำไมาใช้คำว่าวิบัติเนี่ยนี่ยถอนออกไม่ได้เพราะบางทีเราที่ได้กล่าวตอนเช้านะบางครับบางชาต บางพบบางาแล้วก็ร่วงแตกมาอยู่ในไบยอยููตกในโอเลจมหาในรลกก็ได้โดยสรุปก็คือบอกว่าบางทีเราก็ทำาดนานิบาสไอนานบาดาลดบาสบางครั้งเราก็ไปทำมาดูฆ่ก็กให้ปิ่ดูก่าก็ให้ทหารจะค่าก็ถึงตับาสบางพบหนักไปใหา่ทสาสารปะเภทอยู่เราเชื่อไหยเนี่ยในสัรสารวัตที่ผ่านมาเราทำการประเภทนี้มาแล้วเพราะ กรรมที่เราไม่เปยทำมากรรมนี้อ น, นอกจากนั้นทำมาหมดแนละ้วและอย่างก็คือนิยาตวิชาที่ถีนั้นยังไม่ยังไม่ทะลุลงเลยแม่บุญแพ้เนี่ยใช่ไหมเป็นบุญมากๆเลยนะที่เรานั้นไม่ร่วมเกยเลยไม่เป็นอันาาทีต่านวิชาที่ถีนี่ก็ต้องป้องกันถามมาเชื่อมีไหมศักนะยญติถียังมีอยู่โอกาสยมีแต่เนี่ยนะ ส่วนคำว่าตินี่นะมันจะคว่าติโนโยวัตุกามาตินังโลกาโนตโนติโสภติคันโตติโนคัมามิัพรุทเจ้าได้้าแล้วจากทุกในวัฏฏะคำว่าทุกในวัฏฏะเขาเม่าวัฏฏะน่คืออะไรกระแส ถ้าแต่เน you know, uh ี it ites, mm ่ยโบาณใช่มถ้าเรียกว่า hmm. กิเลสสวัสกรรมอาวัตวิปัสสวาใช่ไหมเวัสดิก็คือว่ตากันนี้เป็นตัวกิเลสคือรันหลัานะที่ที่เริ่มต้นกรรมอาวัตคือเจรนาที่เห็นไปยกรรมตัวนี้ตัวสตรวมทังกรรอนี่นบางคราวแล้วก็ทดุใช่ไหมบางคราว้วตบางคราวแล้วก็ทต่อบางคราวก็ทำด ก็เรียกอารมณประกรรมกรมที่เกิดในตัวเห็นไหมว่าตัวกรรมอาวะตรงนี้มันก็ทำในเราเนี่ยแล้วตอนเรามีตาที่ตาอาวะเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีตาหูจมูกลิ้ใจใจของการเป็นมนุษย์มีรูปเรื่อาวที่ยาตาที่าใเป็นมนุษย์ใช่ไหมมาจากที่ส่นหน้กการที่มนุษย์เป็นมนุษย์เาเรียกว่าสิ่นี้ปสรรคกำบดสิงคบนะเนี่ยไมคบไม่ได้อาตมตาเกิ ทีนี้เมื่อวานเนี่ยมาพูดให้กันยมยีนฟังที่บริษัทของิโดมิโตะมิจฉาทิถีหรือสังกยาทิีนี่นะฟังมิบ ร, ริ ษ, ษัททุกคนเนี่ยถ้าฉาจาเนาี่ยบอก่าห้ามมากแต่ไม่ห้ามสวรรค์ใช่ไหแล้วทางมาสรุปตอนนี้ว่าขึ้นชื่อว่ามิจฉาทิถีที่จะไปสวรรค์ได้นหรือไม่ดีคือจะไปสุคติยาก คณะไทยยังมีความเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัจกายญทติที่เป็นอาที่ถี่เนี่ยไม่ต้องพูดว่าจะห้ามมัดแค่เป็นมนุษย์มันเป็นไม่ได้แล้วเราจะว่าอย่างไรถามว่านิจฉัยที่ถี่เป็นโลภใช่ไหมเกิดรองแต่โลภใช่ไหมถ้าเกิดร่องแต่โลภไม่อาจสารทิ่ถี่เอาสถามว่า ถ้าม pues, er ิฉาที่จิบตื่นขึ้ในการทำหนังอ้พวกคุณไปที่อมาบอกิยมไปกาๆเนี่ยมาเนรเี่ยวถงกไหมเดี๋ยวที่อัลมาจะวางจีบไถูกใช่เพราะอัลมาไม่ได้แสดงคำเพื่อนนั้นเพืนมอมองนพดกคเยอะคนู่บ่หรือยังจดงคำอะไรูาขตองวดใจเลยเราไปบี่ยเบนเพราะเราต้องระวังกันี้ไหมนึ่งอาจะพูดก็ชัด เราทน้งเราจะางทำเราก็ต้องวางจทีีนที่นี่ที่ในขณะที่ให้กานบริจาคาใจที่เน้นไปกับกุศลตอนนั้นกุศลแลจิตกาลังดอยู่ใช่ไหมพอกุศลด่งัไปตเราก็ไปยอะอีกเราูทเอาดในขณะที้ไปเยตรองูทำในขณะนั้นเป็นอะไรสักยานิชชีสาคัญก็ เราเป็นู้ทําริมันคนละขนากับอุศนเกินนะไอ้ขนาดที่ทําเป็นบุญขณะที่เขาไปเลือกการจะทําเป็นพิ ธ, ธีเป็นความเห็นที่เข้าใจเข้าใจไหมเนี่ยแยกให้ถูกนะเดี๋ยวแยกไม่ถูกเดี๋ยวระอาจมาให้ห้ามให้ทำ บ, บุญบุญนัะนดีกุศนนั้นดีพวกพูดถึงเรื่องนี้เราทีา่ไปถ้าใครไม่เข้าใจก็สอบถามคนนี้เข้าใจหรือว่าอาจารย์พูดก็ให้เข้าใจอย่างไรใช่ไหมว่า ตัวเข้าไปยึดว่าเรามีเิตรเราด้วยกันทำอะไรตัณหาที่เข้าไปยึดทิฏฐิที่เขาไปยึดสำคัญว่ามีอัตตามีเรามีของขเราเป็นต้นนี้ด้วยเรามันคนละขนาดครับคุณถ้าไอตัวยึดเนี่ยให้ผลมันก็ไปทางที่ไม่ดีแต่ถ้าตัวกุศลจิตที่ทำนั้นให้ผลมันก็เลยได้เป็นมนุษเนี่ยฉะนั้นอาตภาพกรณีที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่า เวลาเราเขียนอุปมาที่บอกว่ามีเต่าตาบอตัวหนึ่งร้อ ย, ยปีจะโผล่ออกมาสมุครังใช่ไหมแล้วก็มีบรรดุคนหนึ่งใช้ถุงเดี่ยวเล็กๆไปยืนอยู่ขอบจากรวาลแล้วแต่แล้วก็ตาบอดเลยนะหลับหูหลับตาวเวียนหมุนมาการทะเน ก, การมาสมุดเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ร แล้วกาบอกเขาทำไมมระชากรนยอะวันโลกอะใช่ไยมใช่ถามบอกว่าในแสงโกลจารวามีแสงอยู่หมดท่านทั้งหลายนั่งนปกดจอพวกนี้ท่านยอมกดเจะเห็นมดเต็มไปหมดเราไปเปิดโถส้วบอย่างนี้เราจะเห็นนอนเป็มไปหมดนั่นคืออะไรถ้าเราบอกวันเราเคยเกิดเป็นนอนเคยเกิดเป็นมดอะไรอย่านเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อไห เชื่อประคั้นพุทธพ์อะไรใช่พระพุทธเจ้าบัดบอกว่ามีเนี่ยมิสูเนี่ยยินดีพอใจนทีวอนไปสวนเป็นเลวิ่งหางนทีวอนอังหลายไม่ใช่เรื่องนิทิีิทธินั้นจิตที่น้องไปในวางจิตเยอะฉะนั้นที่บอกว่าประชากรมนุษย์เนี่ยเยอะนน้อยเอาประชากร ถ้าิจารณาอย่างที่ได้บอกว่าการแเป็นมุยจเยากการอุบัเกิดขึ้นกับควาปรมาสตาะยากการแสดงธรรมของพระองค์เป็ยากเราทาั้งหลายจะเป็นสมาธิทมาฟังธรรมเป็ยากฟังธรรมแล้วจะเกิดความเข้าใจแล้วยากเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะรักษาสีนี้เป็นกัญญาการรักษาสีนี้เป็นแล้วจะเดินสีเป็นประจันสมาธิก็ยากการจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นยากอแล้วเอาจสมาธิเป็นบรทัา ยาสรุปแล้วการจะทำศีรษะสาไม่เดินในกระแสการได้จะชนะคือมันยากอันนี้แค่เดินได้ตอนนี้แคือจะบรยากเอาสิมันจะยากตามระดับนี้จะมีสัทธาในการทำทางนี้ยากไหมเอาลองลองจากให้มีการทำทุกวันจะเหลือต้องนืนมอารมามีมาเยอะะวองนี ทุกวันไม่ไหวนะใครกล้านฟังธรรม ท, ทุกวันชวเช้าเย็นไม่ต้องทุกวันหรอกอาทิตย์ละครก็แ้บจะไม่ไหวอยู่นะนนนนาบางคนอะใครอะได้ยินก็วางตรางไว้ทุกอาทิตย์จะเดินท า, างเป็นวินาทนะีต้อกโอ้โหต้องแค่มันมีเวลาหายใจให้คอเลยเเจ็ด <า S 1> <laughs> วันฟังธรรมมาั้งใจจยขาดประหลาดแน่ยเก แสดงเหยียชาติเ่อะไรด้วยไ่อการฟังธรรมระทีเราต้องใช้ความเดี่ยวที่เลยด้ยโอเคที่โอ้ยเคลียร์แล้วเคลียร์อีกขอร้องว่าบางทีต้องบอกลูกอย่ากดแม่เมื่อกี้ฟังธรรมแกแคบเดียวมาเก่งแกตัญหามากนยุกสมัยต้องขอร้องบางทีแม้ความธรรมนี้ต้องเปิดโทรศัพท์ไว้ให้บอกร้อยตัญหา าทท่าไม่จบเดี๋ยวไม่จบน่เราบออยู่เงี้ยถามว่าถ้าถามว่ามื่ปางทยกพิความต้องการในการกับปริมาณการสร้างเหเท่าันเ่จะไปเป็นยงงบจะไปมีท่านบอกท่านบอกว่า เราว่าจนศกษียณนะพอทำได้จบเสร็จก็มีงคณะยีไปรอ้ตายหมดไปถึงจบเสร็จก็ว่าขอให้มีสติปัญญายที่ขอให้รับร้อย่วงตัวบาปตาป่าเปเลยขออยู่รังว่าที่หยู่ไรเงี้ยถ้าจะมาทำีวิ้า่าสิ่งที่แท้ถ้าจาราต อ้าท่านจะคิดยดงไงอ้าว้าพระศาสาทรนยัว่าชนอยู่เนอะยงนั่งอยู่ท่านจะท่านจะคิดยังไงบอกโอ้โหมันเพื่อนขนาดนี้สำร็จท่านจะคิดอนาดขนาดอะไแล้วตอนนี้ถ้าเรามองดูะว่าพระธรรคสอนของพระศาสดาต่างอย่างนี้ท่านก็ไปอีกอย่างไม่ควคิดแนเลยไม่ใช่ว่ามันเพราะเขาขอเกีวกับบงคนก็ไม่มีู บางทีบางท่านหนักไปเลยนเองพอไปถึงเส็จไม่รู้อะไรเราเอาจมาไปสวนตอนนั้นอัน น, นก็มสายายตรงสถาที่แสดงธรรมาจากักโทาสดมาภาษาายาอย่างภาษาเลยเอราวัณเอสุตยบภษายาพอสารยายตนนี้จะขึ้นตวดสัมสายายม า, ยายทิิสั ม, าสามมาทัสโธลายกันลาย ถ้านีคนมันนั่งกรรมฐานมานั่งเข้านันาเข้าสักจะเป็นแวเลยตลอดยืดๆเหมืนีเข้าไม่รู้คณะไหนมาเต้นใหญ่อดโนยนโนโนเดเป็วเลยใ้องาเ มารไม่กล้าสวดเลยนี้วันนี้อันนี้เห็นยอมอๆให้มาอธิบายมาจกมาเขาคิดสงสัยไม่กล้าสวดไปนะถ้ามาสวดไปมีคนชักตรนเลยแบโอ้โหแปลกมากตนี้ก็เ็นเมีความเข้าใจในท่าทางชักหรคนิเนี่ยตรงนี้แหละ ที่เราจะจมาศึกษาคงสอนก็จะจตามมาตร ม, มานคสอของพระยเจ้าอีกทก็ฉน้ากเาจะพัฒนาควาอยู่นี้ไปไปตามลำดับแค่ตรง น, นี้สมมติจะจะสาธยาย1นอีปีอีอโสโภคาลาอาละลาตาม แ, แต่จะถึงโน่นน่ะจบผู้ะพุคธเย้าอะไรต้องเราต้องทำความรูวกิมาสาธยาย ฉะนั้นกรณีที่เราตังา้าาคงาาาคำถามว่ามามาจากเส้นเลือดขุ่นน้อมต้อเปาษดาที่บอกว่ามีคำ ว, ว่าพี่โย แล้วก็ปัน่นินซีบริบูรณอย่า ง, งเราท่านท่านายอินซีไม่บริบูรณ์นะก็ เ, เรียกว่าอินซีอ่อนศรัทธ า, า, ากอออออ็อ่อนวิริยะสติสมาธิปัญญาก็อ่อนปัญญาอ่อนนะมืออ่อนหมดเลยอะจรนงถ้าศรัทธาอ่อนมันยอมรับได้่ไถ้าปัญญาอ่อนยอมรับได้ปัญญาอ่อนก็คือไม่มีมารยาทอย่างใช่ไหม ไม่มีปัญญาที่จรมากที่นี่เขาเรียกปัญญาอ่อนฉะนั้นถ้าใครเรียกร้อาปัญญาอ่อนจะปวดท่ว่าอัาเรากใจรู้เอาตำใครัาเราในแงไปเลยว่าปัญญาอ่อนดาเราเราปวดดไม่ปดไดเราชอบใอัดใช่ไอัฐาตัอเราไม่ได้มากในปัญญานี้ก็คือความอ่อนน้องอินซีทั้งหลายนี่แหละ้าอินรีทั้งหลายไม่ ปัจจัยของอินทรีย์ทั้งหลายคืออะไรโยนิโสมนัสิการะทาไมไม่มีโยนิโสมนัสสิการเพราะไม่มีศรัทธาทำไมไม่มีศรัทธาเพราะไม่ความธรรแล้วก็้วความธรรมแล้วทําไมศรัทธาไม่เกิดเพราะไม่คิดทำไมถึงไม่คิดทําไมไม่คิดเพราะไม่มีอะไรไม่มีวิริยะไม่มีไม่มีความเพียรใช่ไหม เพราะว่าสัตย์วิทยาเนี่ยเขาเป็นปฏิบัติต่อต่อแรวิทยาเป็นปฏิบัติต่อแรงอ่าโสดชัความเกียรติค้าเราคิดเกียรคิดเราคิดเกียรคิดในทำทำสอนแต่เราขยันคิดต่อหาการกอบพุนไหมเอาแต่คิดเรื่องโลกเยกี่ยวต้นพันธุ์เนคิดได้จังหวัดไหมโอ้ยสนุกสนานมากบางคนนี่ถ้าคิดเรื่องทรัพย์ เมคิดเรื่องหมตถุกลางคิดได้ถ้าเราโรกรคนอื่นเราคิดได้มากไหมคิดว่าอยเรอเ่อยยังไหมเขามาปูแต่คิดเพื่อสามารถํานวณได้เยอะดีมองหน้ารู้อะไรนนี้ต้องคิดไปดีเราแน่ไฟใหญ่เลยเห็นไหมามขยันคิดที่เป็นวิชาวายามาโลเลนมากแต่สัมมาวัยามาไม่ตึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือสติมุทัศสตินี้คือการหลงสติ คือคำว่าหลงเนี่ยในที่นั้นเป็นชื่อของอวสุนตคือเราคิดเก่งมากถ้าคิดตาอวุนตเนี่ยชนาญมากระลึกได้ตามลึกได้ น, นี่อะไรตามจาได้หมดเลยเช่นคนนี้เคยด่าเราคนที่ทไปทําอะไร่ดีกับเราชีเอียดอมแล้วจำแม่นเลยแต่แต่ถ้าคิดที่เป็นไปตวุคิดไม่เคยออกเช่นกรณีที่ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่นะฟังเวลาลำดั กลับไปบ้านก็ามว่าวันนี้พ่อฟังอะไรนนึกไม่ออกมันจะคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมมุดถัดสติแรงมากายหลงลืมสตินั่นอย่าแปลกใจเวลาเราฟังคาสอนของพระเจ้าผูอศึกษาประจําคำสอนเนี่ยหลงหลงลืมแต่ในตรงขั้นนั้นถ้าเรื่องของรมวงดาวอ้ฉ่านมาคิดได้ข้อคิดข้องก็รู้ชงนาน่ะคือเราไม่ถนัดในการใช้สมมาทิฏิสัมมาเวทสมาสติเลย ไม่ถนาดในการวิจัยเลยที่ว่ารำ ม, มัฟวิทยาศาสตร์โจงว่าค้นหาวิยศาสตร์หรือไม่สามารถจะวิจัาทาทยฐานยตย่างๆได้จนได้เห็นความเป็นวิยาศาสตร์ได้ใช่ไหมอย่างเช่นว่าเราจะคิดออกคิดถึงตามิดงหูคิดใจเราไม่ก็เห็นทุทกภาษาเลยไม่เคยเข้าใจว่าจะมีลต่างของชาติทุกไม่เคยเข้าใจในชาทุกตุ้งเรียนเรียนทุกขนแล้วตอนนี้ราชาทุกมันไม่เคยหยุดตัวมันเลยในผมผลเล็บปันหนังเนืเอ้อกจะดเื่อดูด ม, อมารวมใจ ชลาวเข้าคืบพาแล้วก็เดินอยู่ตลับตบราแม้ปฏิบัติกาลังนั่งอยู่ชลามารณะันที่เคยยืนตัวเลยเราไม่เคยเห็นชลาวทำมารณ์รในกระแสของถมผ้าอะไรน่าอยู่ในผมผแยกปันเนกระดูเยื่อในกระดูกเปนต้นทั้งัที่มีชราวทำในมารณ์ทำทุกขนาดจิตแต่เราไม่เคยเข้าใจตามว่าทางพระเจ้ามองข่าวเราอย่างไรนี้บอกบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการวิจัยที่ทำมาวิจัยกองเราเนน้อย ความเพียรในกาที่เข้าถึงการที่จะเข้าเจาะเขาก็จะรอเข้าไปเพียรพักระความนิสเข้าถึงความเป็นที่หนูก็มีสติที่จะตามเียก็จะวิจัยก็ไม่ชัดใช่ไหมนะเข้ากระเข้ามัก็เลยอยู่แบบนี้ถ้าแบบธรรมดาพอได้แต่จะให้คิดทั้งสองที่มาโหนทั้งมวลมนทั้งพุ่งขึ้นมาเลยใช่ไหมอันนี้อยแปเพราะวิธีคิดแบบนี้ยังไม่เคยสั่งสอในปัิบันนี้ทั้งๆที่เราเคยคิดได้คิดท่องมาแล้วแะ่า แต่มาปาัิจุบันในพบนี้ความคิดของเราเนะี่ยมันถูกพับผมมาเป็นพบชาติแล้วก็ทานานนี้เ่องความคิดอีกอย่างมันก็เลยกลับไปคิดนี่นเหมือนเดิมไม่ม่งเราไม่แต่เราไม่ยังไม่สามารถที่ทะทดรวงทุกสามารถาได้เหตุได้เลยทุกคส่วนคำว่าโสมันจะคำวาโศได ในยศในพระบรมศาสดาตรัสลุนุตราสัมมาสัมปธิยาคไหมสร้างบัพปะบรมีมายี่สประสงค์ขายยิ่งสนกับในคำรีที่ยังไม่ได้พยายามเจาะเข้าไปเนี่ยนะในคีที่เราบรรยายกันในกีชันของสัมมารวิบัตินที่เรายังไม่ได้พยายามเจาะเข้าไปในเรื่องกับบรรยายขาดไปแล้วเนี่ยตามลดับเนี่ยทีนี้ถ้าเรามอง ในคุณทั้งสาประการนี้เป็นรากคุณรากเห้าและเป็นเท้ามูลให้เกิดพุทธคุณทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นพุทธคุณก้าต้นหรือว่าพุทยาณสีเวรวิการเป็นแฝงเทศวรยานสีแล้วก็อาสาอาระวาดญาณโคมเป็นต้นเหล่านี้แทนหรือว่าเวสารกิจญาณสีถ้าคุณต่างๆของพระบรมสารีาที่มากมายนั้นก็อาศัยเกิดมาจากรากคุณรากเห้าของคุณต่างเหล่านี้นี่แหละ ทำ<ธ> <BE> ให้เวเนยศาสตร์ตลอด 2,500 ปีที่พระพุทธญาติสรุปมาเนี่ยะตราบถึงการที่ปฏิุบันยังมีโอกาสศึกษาว่าทำปฏิบัติธรรมได้หรือการตามพระพูทมีพระเจ้ารักษาชีวิตทุกตอนที่ดำรงอยู่ในกุศลและมีโอกาสยกระดับจิตใจและสติปัญญาสูงยิ่งขึ้นสามารถที่จะลดระดับของชาติทุกชาติทุกมรณะลงได้ตามจํานวนแต่ละบุคคลเนี่ยทีนี้ในคําสอนโดยเฉพาะในคัมภีร์ต่างๆ ท่านแต่งสแสดงการนอบน้อมคุณของพระบรมศาสดาวไว้โดยเฉพาะพระสุลังกาอาจารย์เป็นต้นที่ทานแต่งไว้แล้วบอกว่ามิสุทธาตามนายนางพุทธังสัมปุชกูจิตังธรรมังะ ในบารมีธรรมพระพุทธเจ้ามีบารมีอีกอั่งนะเขาเรียกว่าปัญญาบารมีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือพระบริสุทธิภูมิบริสุทธิ์นั้นแปลว่าในกระแสขันธ์าตุาณญาของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีราคะสะมมานะทิฏฐิวิจิตริายการและต่จแล้วเอออย่างกระแสขันธ์ของเราที่มันรกชัดไปด้วยมิจารทิิใช่ไหตัววิจารทิฏฐบางทีท่านเรียกว่ารกชัดหรือิิ หแล้วก็เหวือที่ิีดการดามทิ่ฉเราเคยเข้าใจนว่ากัรดารนะอะไกัรดาคืออะไรเช่นที่มันแห้งแล้งที่สุดก็เรียกกาดานะบางทีมันก็อที่ที่โจรชุบชุมากก็เรียกโจรแลกัรดามนะที่มันมีเสือมีสัตว์ร้ายต่างๆมากก็เรียกว่าการดาหรือมีการก้นสะดมกันต่างๆในนาฬดาเนี่ยมีประเทศต่างๆที่ไม่ เราไม่สามารถจะใช้ได้แล้วเป็นความกันดารฉะนั้นในบรร like ดากัรดารนั้นทิฏฐินั้นการดารยิ่งกว่าสิ่งเราเนี่ยฉะนัอนการที่ฐิยังฝังแน่นในกระแสขันท่าในยตนาฝังแน่นในจิตใจของท่านคนใดอยู่วิชารณิติเนี่ย น, นะค ว, ความกำกันดารก็เกิดเฮลก็เกิดก็แปลว่าเราไปออกจากวิชารณิตินี้ไม่ได้ไอโรชัตอตอของทิฏฐิที่มันฝังแน่นในจิตใจในะะเราไม่สามารถจะถอดไม่สามารถ ต้องใช้อะไรวิปัสสนาสมาทิฏฐิในการที่จะถามตองวิชานิฏฐิในในชั้นของพระธรรม迦เจ้าท่านหลายท่านยึดประมาทไว้บอกว่าวิปัสนาสมาทิฏฐิท่านประมาทเหมือนกับชาวนาและชาวไร่ที่ใช้มีดหรือใช้ของปีคมทั้งหลายในการที่ตักป่าทลายป่าถามไปเถอะถามไปเสร็จแล้วต้องมาฟองไว้ต่อไปเผลอและในชีวิตของเราท่าน เราเคยใช้มีดคือปัญญาใช้ความเพียรภูริยานี่นะและ้วสติในการที่เข้าไปรูกได้อุปมาเหมือนกับมีดเหมือนกับคนจับมีดใช้ความเพียรในการที่จะตามมีการที่ถาดความเห็ทออน ท, ท, หที่มันออกถากวิชาที่ผิดความเห็นที่มันฝังแน่นในกระบวนการสันดาหของเราแล้หลายเนี่ยเราได้ถากได้ถากออกรงไหมเช่นในขณะที่ความธรร แล้วก็ควรพิจารณาแล้วก็่อรละอัตตาไหมัหนึ่งทำสัปปินซีให้เกิดเมื่อศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระราชน้าใจฟังแล้วเกิดความกต้ใจมีความเดิอดเดือดดัใ น, นพระธรรมวเดชนาของของคำสอนคุณย่ามีปราโมทย์ปีเดียปฏิสิิมีความสุขะเข้าพระธรรมปัญญาสุขแล้วก็ความเพียรในการที่เขาเวลาความหมียสติกตา ร, รางที่จะรืมทจะละ แล้วก็ใช้สมาธิถี่สมาวิมาสมาสติเราแวดล้อมสมาธิขยายวงของสมาธิิกให้กว้างขึ้นวิจัยสิ่งต่างๆแล้วก็ทําสมาธิิกให้มีความชัดขึ้นหนึ่งเข้าใจในเรื่องของกรรมชัดขึ้นผลต้องการชัดขึ้นแล้วก็เข้าใจในเรื่องของกระแสขันท่าระยิณะเป็นผู้ทำกรรมชัดขึ้นแล้วก็ไม่มีความรุ่มหลงว่านี่เป็นปรมาสตร์อันนี้เป็นปัญญามีความเข้าใจในลักษณะนีแล้วก็ทําความเข้าใจนั้นอย่างต่อเนื่องอย่ายั รถลัทาทั้งมาตั้าใจสม่ำเสมอไม่เคยหยุยดหย่อนมีการที่จะทำมาเข้าใจอยู่ถ้าเป็นไปในานขนาะนี้ก็เรียกว่าสมาทิฏฐิเริ่มเดินในท่องแลนะอาศัยจากอาถาข้าต่างโดยที่ศรานี่หก็ตั้งสมัมาามาทิฏฐิได้ชัดเจนขึ้นถามว่าทํารือไม่ถ้าทำนั่นแสดงว่าไม่อยู่แค่สุนัขกินตามวรญญาณเรื่องชัด เมื่อกระทั้ไปบ่อยเป็นภาวนาปัญญาก็เริ่มชัดปรากฏชัดในใจมากขึ้นมากขึ้นนี่ไงคนที่เขาฟังทำแล้วเขามบรรลุได้เป็นอย่างนี้พอฟังแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แค่ฟังแล้วก็หลัคิดการตื่นการไขควรการไตรตองไปบ่อยมีการเปนภาวนาเกิดขึ้นแล้วมันชัดขึ้นในความรู้สึกเข้าใจไงพอชัดขึ้นนี่แหละมันจะลาควางหินปิดก็ถูกลาไปความหิถูกก็เริ่มมีกำลังมากขึ้นฟางหิผิดก็ดึงถ่ายร้อนไปความหินถูกก็มากขึ้นมากขึ้น เขาเรียกว่าปัญญาเกดแล้วมีเขาเรียกว่าพระปัญญาคุณพระปัญญาคูมนั่นแหละจะเป็นปัจจัยแต่พระบริสุทธิภูมิใ่ไหมพระเจ้าพระบริสุทธิภูมินกระแสกรรมด้านเตนานุจริบริสุทธิ์หมดจมากทั้งกิเลสด้วยลเลาวาสนาอัไรที่เด็ล่าอะไรๆแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณพระธรรมทานพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สมบูชาและพุทธเจ้าส้บูชาอะไรสบูชาทนั้นพระเจ้ามบูชามาก คำสอนที um, it it ่เป็นปในส่วนของพระปริญในพระเจ้าบูชาพระสัทธรรมศิลปการในพระาบูชานบางคนไเรียรคำสอนเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติคำสอนเป็นธรรมบรชาบีมเป็นนะ่เปนมอเราก็บรรมังตาดาดาชนึกถึงอะไรนึกถึงมังสีผลสีนิพพานเรั ฉะนั้นสัพพินรีทั้งหลายที่เป็นตั้งมั่นในภระสานั่นแหละคือว่ามีแทามิระนัมีแ่ามิาระนทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีการเปล่งการกล่าวําสองลงมาเนถ้าไม่มีปริรยัติยางไงใช่ไหมเพราะอาศัยพรบปริยัตินั่นแหละเมื่มีการบอกการก ล, การกลา่าวกั น, นงลงมาในรากตัณฑอย่างนี้เขาที่บอกว่าทำเนี่ย พระพุทธเจ้าทุากพกระงค์สับูชาแล้สสพวพระสงฆ์ผู้เกิดมีแล้วแต่พระสัธรรมถามาว่าพระสงฆ์เนี่ยมีอะไรเยรามิสขึ้นพระธรรมนั่นแหละนามิสใช่ไหมพระถามว่าพะระมหมากาสรสตาพระโกลันยาวะ เพราะเราเป็นบุรุษชนก็จไยากคนเขาเรียกบุรุชนโค่นใช่ไหมถ้าเรียกโรกียชนนี่โรกยชนหรือเรียกเรียกเป็นโคตรก็เรียกบุรุชนโคหรือโคตรบุรุชนนะเรายังไม่สามารถท้าโคตรของบุรุษชนได้ยังไม่สามารถจะท้าโคษของบุรุชนได้เพราะเรายังไม่มีโคตรระบียงยานี่ไหมยานที่สามารถท้าโคษรบุรุชนเขาถึง อายยเขาบอกกันนเราไม่สามารถที่จะละทวงของบุตรชนเขาเรียกว่าของเราตั้ในชั้นของภูมิก็คือในบุตรชนภูมิไม่ใช่อายุภูมิเนื้อบุคคลก็จะเป็บุตรชนบุคคลไม่ใช่อายุบุคคลถ้าว่าโดยชาติเนี่ยนะเราอยู่ในชั้นของการหาชาติไม่ใช่อายชาติการหารนี่แปลว่าอะไรแป่าชาตินั้ต่ำอยู่ใช่ไหม ก็ไม่ใช่อนิยมไม่ประเสริฐใช่ไหมก็ยัง อ, อยู่ในชาติแบบนี้เรายังไม่สามารถจะถอนถาจัดชาติแบบนี้ออกได้เลยทีนี้ความเป็นบุรุชนของเราความเป็นการหาชาติความเป็นบุรุษชนทีนี้ถามตอนนี้ว่าทำในระเทศ เ, เรายังบุรุชนก็แยกเป็นสองอันทัศบุรุชนกับกรรยาบุรุชนถ้าอันทับุรุชนแปลว่า ผ น, น้มืดบอดใช่ไหมพวกมีการมาราคาหนาแน่นมีปฏิฆาหนาแน่นมีถีนัิทักษ์หนาแน่นหนาแน่นขนาดตามประทับก็หลับเนี่ยหนาแน่นเนต่ยแต่พวกเร า, เ า, า, เาที่มายอยู่นี้ไม่มีใครหลับเลยคนเดียวโอ้ประดูแลหน้าชื่อใจเลยใช่ไอย่างนี้วาเป็นความเป็นอาถรรพ์บุคคลน้อยมลยนี่ประทัก็หแล้วนีนะ่ใช่ไห มีโทรศัพนาแน่าแน่ยน อ, ยอยู่ไถ้ามีคนถ้ามีคนกลา่าชมีใจ่ถ้ามีคนด่าถ้ามีคนด่าผมหถ้าเขาด่าเราผลเหมือนเามากะซิที่หูแล้วก็ด่าก็บอก็ด่าไม่กี่คนี่ยูนรัฐ่เรน้าก็เรา ก็เป็นแบกดมถ้าถ้าถ้าเป็นอาจารย์คนจนน่นิดเดียวเแล้วไม่ใครงั้นก็วันหนาเ่การมราคาปิาตเชานอจากกริจรจารันนะคือนานีนานีที่นาเี่วิจาที่หนนี่ยคือว่าสังเกตอย่างที่ว่าเกลียดเกลียดทาทาของบกรรมศาส์สปรากา เอางี้ระหว่างมองพระลูกของพระเจ้าก็มองหน้าลูกนชินใญ่กวอาอเระหว่างใช้เวลามองพระลูกของเจ้ากมองลูกอันีนานกว่ามองพระเจ้านานกว่าดวงน่าช่นใจเดี๋ยวกกล้ใกล่ดวกูริงอวันวนแด ไปไหนก็ฟังนะครับทีเอย่างนี้ก็มีระบบฟังอะไย่างเงยมันพอจะฟังไม่ได้เลยก็ฝังใลรู้สึกถ้ามิชาที่กินหาแน่เ่สังเกตว่าไม่ปราณีฐานของอริยะไม่ปราณีหน้าฟังทางของอริยยะไม่อบรมกายไม่อบรมสีไม่อบรมจิตไม่อบรมไม่ฉลาดในทารมของอริยยะไม่เห็นทรรมของอริยยะแล้วก็ ปฏิบ er. ัติผไม่ปฏิบัติชอบอันนี้คือหนาถ้าปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติชก็คือไม่มีสมาธิดินมาัสมาธิยางไมมีชาินชาปตรงนี้ก็สเเกตได้เลยนะเราแต่ละคนต้องไปคิดดูนะว่าเราอยาเป็นอะไรรชกกริยาถ้า คิดวได้ไหอทจานเอาได้ตั้งเข็มคิดด้วยว่าชาตินี้จะบรรลุเป็นพระโสดาบันเพี้รคิดไหมฮคุยเป็นคิดยากก็ขนาดคิดว่ายากแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเอางี้ถ้าเป็พุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นพุทธเจ้ายากแล้วจะมีพุทธเจ้าตัดสินรู้ไหถ้าไม่มีพุทธเจ้าตั เราจะได้โยกาสเราตามทำอย่างนี้ไหมแล้วตอนนั้นยี่สิบผสมขายยิย่งด้วยแสงหมารับทําไมเขาอการคิดเลยแล้วความคิดของเขาองคิด ย, ยังไงบอกว่เราจะต้องตัดสินุในวันพรุ่งนี้ทําไมท่านก้าคิดอย่างนี้มันคือบอกว่ายากคิดใ ห, <c oughs> หม่จมว่าการคิดอย่างเนี้ยราคิดเรามันพอแล้วเนี่ย เราได้เพียเนเต็มที่หรือยัอยงเราได้เพียนในขนาว่าเนื้อเนื้ อ, อใช่ไหมเนื้อจะเนื้อจนหายไปเถจะเหลือแต่หยั่เป็นกระดูในตาทีถ้าไม่ไปรู้สมาทิฏฐที่ถูกต้องแล้วจะไม่เลิกความเพียนให้หหมันไม่ตากหรือเตา่าง ให้ห้ามรือตั้าห้ามเอาไว้ตั้งาห้ามยังไม่ห้ามวิธีคิดแบบนี้มพอจะนั่งเตาพิจารีกคิด่เนตั้งสิใช่หเราต้าทุันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยีเราไม่เราตั้งคิดไม่กล้คิดเลยคนไม่กล้คิดคนนใช่ไหมถามว่า ก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆนีแหละเริ่มจากเครียดที่ยงกาแล้วก็ตกลงไปนีแหลก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอยเราโตขึ้นโตขึ้นนะเข้าไม่เอายุงแล้วะเข้าอาพใหญ่ไปยุงก็นะเ้านะเข้ากรอดของอื่นได้แะเข้าบูดยิได้ทุกอย่างนะเข้านะเข้าราคา่อการีเห็นั้มมันเกิดจากการคิดเล็กๆน้อยๆีแลอย่าไปรูถูกผู้สนเล็กๆน้อยๆว่าจะไม่มี ลองไปดูเดซเซเดียการำเดซเยสูบผิดมมัชิมักิกาัันเปิดดูเรื่องี่สิเบมาอมาุธเปิดดูในนั้นท่้นบาง่านได้าไม่ไปอ่านูท่านบอกปริมาณของบุตน์เนี่ยเห็นไมสมมาที่ถี่ปริมาณที่เกิดที่นยังไม่ได้ออกพลังการวาจามันมีผลมีผลมากครั กยังมี็นความคิดเดยค่ะความคิดจะเป็นสมาธิแล้วเราเป็นปัจจัยในการแทนตลอดอนุบาลดาวปีนิพพานนะคิดทุกวันจริเราจะต้องบรรลุให้ได้จะต้องบรรลุให้ได้จะต้องสิ้นทุกใหได้จะต้องได้อุบาลาวปีนิพพานให้ได้ตอคิดเรื่อยเรื่อยเิแมทแล้วเข้าใจถูกด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้ต้องมาบรรลุให้ได้ก็นอนหลับวันนี้ไม่ไม่รำคิดอะไรได้อย่างนี้อันี้นะแต่ว่าคิดปริมาณคิดมากขึ้นปริมาณคือต้มีกําลัง นวเข้านะเข้าเนียนวเข้าฝังขฝั่งของีศึกษาเราความทำอะรนี่เยอเลยแล้วแต่พเศษการเกเรมากถ้าเกเรเราบอกูจทำไมังขนาดนั้นก็ต้อการเลว่าอย่าไปยุ่งอย่าุ่ะม้คจะบรรลุความหมันเลยใช่ไม่เราจีเราเปนไปที่จที่พูดจริงนะต้อเกิดความตั้งใจ ในนักการที่เราถามว่าพระพุทธเจ้าบอกเจอทั้งหลายกี่อยถามมาเราตามบอักไปก็คือว่าข้าพเจ้าขอนอบน้องบางคนก็ตามมาสมุนทีเจ้าเป็นต้นแต่ตรงที่มาจะกนว่ามีสุตตานุญาณังเวเนยยอินทิเอ ศาสนาีธรรม毗จรณาดูประมาณจากคำว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นถึงจะมีอยู่มากมายไม่มีใครในโลกที่จะสามารถประดาน้ำประดาให้สิ้นสุดลงได้รจริงแต่อาศัยคำว่าพระทวโตหรือคำว่าพระวารในบท น, นมัส ก, การพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มุ่งหนึ่งพัมม มุ่งถึป้าหมากรุณาที่คุณเพียงบดเดียวเท่นั้นก็เท่ากับผู้สาธยายได้กล่าวการนอกเนาะกับคุณพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้เพราะพระพุทธภูมิที่เหลือมีป้าหากรุณาที่คุณเป็นมูลหมดเลยเราพาิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาโพธิสัตว์จะตาเจ้ า, จาทั้งหลายลถ้าท่านม่มีหมากรุณาที่คุณแล้วเนี่ยต่อเราท่านทั้งหลายเนี่ยท่านก็บรรลุไปโดยเจตี่ไม่ต้องมาเลี้ยวแล้ว เราก็เจ็บปวดกันอยู่นี่แหแล้วเราเนี่ยนะไม่สามารถจะคิดในการที่จะหาทางออกจากสังสารวัตรหรือสังสารวัฏนั่นเองเพราะอาศัยพระหมากรุณาที่คุณสมเด็จเจ้าเป็นแหล่เป็นมูลเป็นข้ามูลและถือเราแม้อาสาธานญาณที่เหลือเป็นไปร่วมกับพระหมากรุณาที่คุณเนื่องจากพระมหมากรุณาที่คุณเป็นพญา ในไมยานหปริยานเราไล่เมื่อกี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอาสยานุสยาน่ไแล้วก็ยมกตาารียานอินรยารมรียาามแล้วใช่แล้วก็สัพพุตานอาวญเป็นห้แล้วแล้วมหากรุณาสมาปฏิาฉะนั้น พุทธนาทหเมน่เกียรติธรรมอรณ์มือย่อมปะภาวาสเกพิบุทธคุณนาเปต้นบอกว่าก็ด้วยการถือเอาพระมหาคุณนาห็นว่าท่านอาจารย์ได้วดรวมพระพุทธคุณทั้งหมดมีอนุภาพประจุนัทธบารม่ได้เพราะเห็นว่าพระพุทธคุณที่เหลือมีพระมหาคุณาที่ถูกเป็นเข้ามุมเป็นประทัดฐานอีกประการหนึ่งเราพระพุทธ ก็เป็นอันทาอาจารย์ได้แสดงไว้แล้วในนี้ทีเดียวบอกว่าการมีการถือเอาซึ่งอาสาธรรมัญญาที่เหลือเป็นไปร่วมกับอัหากรุณาอิปุณนั้นเนื่องจากตัญหากรุณาเป็นยานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอาสาธัญญาอิปการฉะนั้นการถือเอาในนี้นั่นแหละเป็นอุบาสแสงพุทธองมโดยไม่มีส่วนเเมื่อถือเอาเหนือความอิการอ่จะมีใครเา เอาพุตธคุณบอกว่าพระม้าคตุณาที่คุณดีไหมในคำนี้ทนท่านบอกว่าพุทะคุณแม่จังหดมีพระมหาคุณาที่คุณเนร่านเหล้าฟ้าคิสาลก็บอกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีอาทยย่พระมหาครุณาที่คุณตัดปืนแล้วพวกมีอาพินิหารนันกรรมแล้วดีไหมได้แค่ว่าเสียงส้อนกล้องได้ยินชัดไหกขาหลังทัดเอออตมาอยู่เสียงก้องยง เพราะเขาบอกว่าม ja, ีโมเมนสองตัวแล้วงหลังขาดมาตอบไปทัีนิมา่ก้างหลังก็ไม่เป็นไม่เป็นไรนอันนี้แะเป็นวัดความตั้งใจถ้าใครสามารถตามได้ผู้อ่านถามแล้วไม่อยากชนาได้ทังด้าที่เสียงต้องไมช้าเลยหลังเลยหรือเสียงจะท้อนด้าใคามติชัดเจนแสดงว่าจาทมซีแข็งแรง้ะเมื่อกี้ยงเยกับยอมผู้ชายนะ บอกว่าที่ทำไมําสอนพุทธเจ้าทงพยายามจะ่ง้ง่ายวให้เข้าใจง่ายอามาจะบอกว่าเมาต้นม่วงสูงทีูปถึหเราจะไปม่วงลงมาเดี๋ยวม่วงจะาแต่เราจงทำใจใจที่ใครจเก็เก็บม่วงดีกว่าําสอนพุทธเจ้าพัฒนาศีร เราคิดธรรมดาโหมดความสามแต่ยังต้องมีปุปานะยิ่งเป็นการต่างตัทุยาไป่สงนะถ้าสูงทาไมภ็สามโหูดจะลดได้ทาไมก็โมกูลาเราลดไดทําไมก็ม ถ้ตั้งอย่างนี้นรเราก็แจกแรงแต่เขาแต่เขาเราเคียนไปยั ง, อย ง, อยงของยากใ น, นสิ่งที่ดีเพราะ หนึ่งมาหารกรุณาที่คุณตักเตือนแล้วพระองค์ก็กระทำอภินิหารอภินิหารคืออะไรคืออะไรอภินิหารคืออะไรถองค์ได้ออกแล้วอย่นี้หรือเปล่าอภินิหารคืออะไรับอะไรนะอะไรนะไม่มีหรอเป านะถามบอกว่าพระผูม้มีพระภาคเจ้ามีม้าหากรุณาที่มูต่าเลยแล้วตอนที่เป็นพระมรดิสันนะผู้มีพระอาิตย์นิหารกทรมแล้วคือเกี่ยวกับเรื่องของบารมีสิทธิ์ของพระอรงค์เนี่ยที่บ่งพ่อมานะั่นน่ะมันจะัตกในกระจำปฏิ การจะตรงนันบริบูรณ์เสนั้นจะต้องบ่มไรบ่มบาีเพื่อจะสร้างอาทยาสายทั้งกอารมายาสอตยาสยอามวัตยาสเมขัมยสแล้วก็วิเวกาสยยังไงนิสรายสอตล่าี้อายาสายต่างๆเหล่าน้ถูกสร้างด้วยบารมีศีอุปบารมีศีแล้วบารมีบารมีนหาง จะได้ไดความบริบูรณแห่งสมุทรานทั้งแอาณาสมุทรธานทั้งแปรพอได้ได้ความบริบูรณ์นั้นเสร็จพระองค์ก็ไดนะ้รนบพุทธภรรยากรเห็นไหมว่าการสร้างบรนดีเดีย๋ยวเราจะไปดามายใรเหียดในการที่พระองค์ทำเนี่ยนะในกรณีที่การกว่าจะทำมาเนี่ยเราคิดดูด้อคิดในใจเท่ะเจ็ดอักสรไขเป็นว่าจะปรารถนาเป็นรุ่น ย, ย่างอิเท่าไหร่ ทั้เป็นสิ่งประสงคไทยแต่ไม่ได้รับ อ, อนุญาตมอญคือสมมตินะเราเนี่ยถ้าคิดในใจที่เราจะทําอะไรให้สําเร็จเนี่ยถ้าเราคิดถึงสิบหปีแล้วไม่สําเร็จเราเรื่อนลงไหมเรื่อนลงไหมเอาพูดออกมาอีกสิบห้ปีแล้วก็ไม่ได้เราจะเรื่อนลงไหมเรานบ้างเรื่อนลงใช่ไหม ไม่เลิกลงอาการประการณ์กรคมภูมิเลื่อนลมเลยดีไหมเราจะได้ยินอะไรอะไรตักเตือนทําให้ไม่เลิกลงมหากรุณาที่คุณตักเตือนสงสารตนเองและสงสารคนอื่นคนเราที่มีกรุณาตักเตือนเนี่ยคนที่ไหวอีกเราไม่เคยเป็นหรอกใช่ไหมเราไม่เคยเป็นหรอกว่า เวลาเห็นคนอื่นเขาวง่เนี่ยเป็นเขาอื่นเขาดือนร้อนเนี่ย เ, เ, หเห็นเขานี่ไงว่าไปเห็นคนอื่น เ, าเ้าโง่เขาติดอยู่ในวิชาทิฏฐิออกจากวิชาทิฏฐิไม่ได้กำลงานมากนะอยากจะช่วยเขาอยากจะเหมือนจะเราจะแกะดูวิชาทิฏฐแล้วออกเอาสมาทิฏฐิอ่านเข้าไปา เ, เมหมือนกับเราล็ข้อมูลใหม่แล้วก็อ่านข้อมูลใหม่เข้าไปอยาก ถ้าคนที่มีกุนาเห็นคนไม่มีเสื้อเขาอยากเอาเสื้อให้เเห็นคนที่เขาพิการอยากจะไปช่วยเขาเขาจะิเห็นก็หนาอยากจะทำให้เาอบเห็นก็หิวอยากจะให้เาิคนที่เขามีมาปันามีกุลาตระเก็จะเป็นอย่างงั้นเห็นสัตว์หลากหลายกลังจมปากอยู่ในสังสารวัฏจทันใหญ่เห็นไหมท่านมีเตปัญญาเห็นเห็นสัตว์กลังร้องโนวเนี่ยถ้าเรานี่เราสมมติว่าเราได้ ยาไม่ต้องได้ิาเราเอารู้เลยในโลกใบนี้โคมูวโซจะตายเยอะแยะเลยเราเฉยเฉยี่ไม่เห็นสะเทินใจอะไรเลยไหมนู่นได้ขาวเป็นดิไหวน้ำท่วมบังตายกันไปรู้เท่าไหร่โง่หนาสุดสารเนาะแล้วกาเงียกไปหมดแล้วทั้งทีก็เจอร้อยเดียวแป๊เดียวยังไงนี่ยิ่งบางคนบอกไปเช็คดูเขาเด็กข่าวว่า มีการมีรชนกันเนี่ยบาดเจราเช็คดูที่มีรูปเรามักเช็คเปร็จเไม่มีไมมียาแล้วเนี่ยไม่มีโจรเพผา้ดีไปมียาของเรามีแค่นั้นใช่นี่สายตาราสั้นแต่พระพุทธศาสนาท่านรู้ว่าท่านผู้ีเคยเป็นพ่อเป็นแง่ในที่จริงเนา่เคยเกี่ยวข้องเราด้วยถ้าไ่ครับเพราะท่านมีกรรมสกทาสมาธิสี่ชั้นกรุปานี่กับเตืนบอกว่า เราต้องรู้แล้วจะให้คนอื่นลดเราข้ามไปแล้วจะให้คื่นข้าเราออกจากสังารวัฏได้เราจะให้คนื่นออกจี่คนที่คิดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกกรุณาหักตกกรุณาหักเจะบรรลุเหมือนคนบางคนหมดถ้าตนเองยกาลังเลี้ยวล ความคิดเรื่องคือเราแขกเล็ก ๆ, ๆเรือเล็ก ๆ, ๆเนี่ยทำแป้งเกษตรเพราะตัี้มีความสามารถดฉลาดสามารถจะไปได้ด้วยแต่แมเ่เพราะเห็นคนที่อยู่ในฝั่งนี้ตันไปหมดแล้วมันมรังงงวิ่งท่านจะกดไม่สามารถจะข้ามได้เพราะต้องถูกมาจุราท่งงามันใช่ไหมมัจุราท่งงามันมีทักงขันตั้งมาน้ํามันกิเลสตั้งมาท่งงานัางงาน มาทางนา้อง้ามกาะแสข่านทาไเ้ยไง้ท่า้นไปหมดถ้าตนเองจะหนีไปคนเดียวนี่ไม่ใช่บรรูปทางาก็เหมือนอย่งพระโพธิสัตว์นะตอนที่ท่านเป็นพญาลิเป็นศาางนี้ยังแกตัวดีท่านยังเคยคิดเนี่ยบ่งบอกถึงหมาปัญญาตัดงแล้วก็ต้องมาคิดมาคิดมาพิจารณาความคิดในลักษณะอย่างนี้จะให้เกิดความต้ใจและจะได้ห็นมุ่งงุ่งมั่ ถ้าเราไม่คิดเลยนะศึกษาคำสอนไม่คิดไม่ใคร่ควรไม่พิจารณานนะีเราจะเห็นคุณได้ยังไงเหมือนเราจะไปไหว้พระที่อินเดียอย่างไรที่ไต้ก็เองนี้ินอิฐข้างๆหินเก่าๆไปเห็นกับเห็นที่โล่งๆแล้วเราจะจบความเข้าใจให้ถึงได้ยังไงถ้าเราไปเห็นที่พระแท่นวชิระเราบอกที่ตรงนี้พระบรมศา ส, สดา น, นั่งประทับ ตัสรมุตระสัมมาสโตริยานกวจะได้มานั่งนตรงนี้สสมแขย์ย่สงบสมแขยสิปดสมยงไงคิดในใจยังไงเปล่งวาจายังไงังการวาจาใจยังไงรวมเป็นเสีย่สยังไงก็องทำอะไรมาบ้านอถไม่ได้รุตระสังมาสโานพตสรูสติปัฏฐานสมภัทฐานอิบาตนมาะชมีตประชุมในกระแสนารยนของพระองค์นะวันนี้อย่างนี้อย่างไร เ ม, มื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระราชนิพนธ์พรยานแล้วว่าธรรมก็เริ่มหลั่งไหลออกจากกระแสขันท่าอตยานนาของพระองค์อย่างไรและตอนนี้ว่าธรรมยังคงอยู่ยังทํากิจแทนพระศาสดาอย่างไรเราเห็นว่าธรรมพระพุทธเจ้าที่กําลังไหลเป็ น, นกระแสะขันธาอต่ยานานาของสมมาที่อยู่ือคนไหมถ้าเห็นแสดงว่าเราเห็นพระศาสดากาลังทำกิจอยู่ใช่ไหมในจักรวาลทั้งเส้นที่มีกลุ่มสมมาที่ดีทั้งหลายท่าน คุณกาลังสว่างจ้าในห้องใจเต็มไปหมดเลยน่ะแต่ในห้องใจของเราท่นทั้งหลายเราจะเปิดแสงสว่างในใจของเราเองของพระเจ้าได้ยางไงแล้วก็มานั่งคิดแต่ทำไมมันมืดมิดมองไม่เห็นคนเลยนะก็มาวิจารณาเียวทไม่หก็ไม่ปริมาทุกความเข้าใจงน้อยก็ฟังใหม่ในสุดจริงเดี๋ยวก็ด้ใช่ไหมรแจรดารไมต้องทัก้ เมื่อกี้ทีน้ำมิทักษ์เป็นงานที่เราแสดงวัฒนธรรมอ่อนเจไหมเนี่ยเห็นชัดเลยเจนท้าออกไปอย่างนี้ตร ง, งนีลบสอเลยก็ไขึ้กออกนแ ล, ออลว้วบอกเลยท่านอาจารย์เรงเป็นเลยคือตรงนี้ตรงนี้จริงๆนะบางทีเห็นไหมว่าบางครั้งตั้งใจเเขาเรียกว่า เชื่อในสมาธิมาแล้วครเป็นปัจจัยการหลันง่ายจริงไ้มสมาสมาธิวิจารณสมาธนี่ต้องการอยากให้รู้ตรงนี้เวลาเราจะเดินจะเดินถูกเข้าใจไงมจะได้เดินให้ถูกว่าเพราะสมาสมาธิจะไม่เกิดร่วมกับกีนัิทาแต่ธรรมิจฉาสมาธิเขาจะเกิดร่วมกับผีนัมมิทาวิจารณกุจาร์นี่กว่าความสั่บบใช่ไงั้นปรรดาที่ถีตฆรา แต่อย่าลืมนะว่าคำว่ามิจฉาสมาธิเนี่ยกิบไปเยอะเป็นสาระการปัจจัยกับมิจฉาทิฏฐิก็ได้และมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอุปนิสยปัจจัยก็ ไ, ได้เห็นไหมเช่นว่าถ้าปราจีนก็เป็นมีอคติสนแก่โลกไหมไม่มีนะแต่อํานาจของมิจฉาสมาธิเนี่ยอนานาจของมิจฉาทิฏฐิมันแวะร อ, องมากเขาไม่เข้าใจว่า ความสมาธเป็นปร ะ, ะธานในการแง่ตลอดวิาศาังไง น, นั่นแหละก็เรียกเป็นวิชา ส, สมาธิทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวมากก็ตาจีนและวิชาทิฏฐิเกิดตันแต่มีวิชาสมาธิวิชาทิฏฐิเป็นกุบเสียประจยัยเป็นปจัจจัยแวดล้อมเยอะอยนี่เป็นอย่างนี้เห็นหมอ น, นี้ก็ศึกษาค่อยๆศึกษาคาว่าค่อยๆในย่ย่ก็คือวิธีคิดเนมีพิจารณา็นประการย่างแต่ไม่ใช่ว่า ค่อยๆนะนะไม่คค่อยๆไม่ใช่แปลว่าเรียนลำดับคิดเรียนลำดับคิดให้ถูแก่เช็ดทุกทุกวิดาทีทุกชั่วโมงได้ดีๆอันนี้เป็นค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างเราค่อยเป็นค่อยไปโอ้โหเราเราคนแก่แล้วค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่เลยนะนั้นตรงนี้ก็คือว่า พ ร, ระพุทธเจ้ามันจะมีการงานดำแก้วพวกยาวิเนียเนี่กรรกย ก, กระดแล้วก็จะผลัตว์ออกจากเปืือตงคือ ส, ส, สังสารวัตสังสารวรที่ชืวเปลดตรงคางว่าสังสารวตที่จริงเป็นชื่อของานาธนาตุนะฮะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสเขาเรียกว่าสังสารวัในบางทีสารถั ก, ก, กทีกันดีดีกาดีกาเขาเนไ ท่านจะอธิบายคำว่าสังสารวัฏาไวว่าสังสารวัฏนี่เป็นชื่อของอะไรเป็นเชื่อของฐานธาตุอะตนะที่เกิดขึ้นสื่อต่อกันอย่างไม่ขาดสายนั่นแหละที่เรียกนี่ว่าสังสารฉะนั้นในสังสารวัฏต่างๆที่มันมีการเกิดขึ้นสื่อต่อกันโดยไม่ขาดสายนี่แหละเขาเรียกว่าวัฏตาเขาเรียกว่าตาทีนี้วัฏตานี่ที่มันเกิดขึ้นสื่ต่อกันโดยไม่ขาดสายนี่แปลว่ามันไม่ขาด มันไม่ขาดตอนมาจากคำว่าคันดาลัง าสามสาระนี่ยืมเป็นลำดับเป็นการธาตุนาที่เกิดขึ้นสื่อต่อกันยังไม่ขาดสายนั่นเองทุกวันนี้ทัศน์นาสัตติยี่เกิดขึ้นสื่อต่อกันไปตามลำดับไห่ทางตวันตาทตวันหนืตะวันตะวันตะวันทิตะวันใตและจิตนาสัตติที่ก็ขึ้ไม่มีความคิดของสัตว์โลกนีเหยุดกีเลยเป็นชาวนา ตกจากกระแสชนได้ลงตัวเนือในระวังก็คิดอยู่นั่นแหละแต่คิดแบบในระวังนะแล้วก็พอมียามดนอะไรต่างๆในปัจจุบันกระทบมากระทบก็หุ่คิดขึ้นมาเลยเห็นไ้มกระแสขาน่าจะยังไม่คเอยหยุดเลยพบชาติกับขวางเลยนะพบชาติกับขวางไม่ได้การตายอย wow like ่างเราท่านทั้งหลายเรียกว่าตายแบบสมมุติน่ตายแบบสมมุติเนี้ยการข่าลงระหว่างชาติหนึ่งกับชาติหนึ่งไม่ได้ตายแค่ มันเหมือนตัดตนไม้ที่มันยังไม่ได้ถอนรากมันก็ขึ้นหีกตัดแก็ขึ้นอีกตัดแล้วก็ขึ้นอีกโอ้โมันรุดที่เป็นพันธรรมดาแท้จะไหมไม่ตายอ่ะบางคนพออย่างชั่วมากชื่นใจใช่ไจะได้หายใจในการคิดนี้หรื่าถ้าไม่หายใจจะนรกเลยชอบไหมอ่ะบางครั้งบางทีก่นก่อนเลยน วั่อนทเรยขาบรรทุกหมอโหกสองชเลยแล้วเวลาเาวิ่งเนียเอเอาฝากออกา้นอมันจะร้องอย่างไรล้ออร้ออย่างแล้วจะไปติตรงนั้นด้วยมาลงเลยเระางองเลยไม่ถูก้อใจคือมันร้องาม่ยินอยู่ในห้อนันเป็นกระจกไม่ยินเลยปร้องกัน เขาตกใจตกใจยกถ้าเป็นเราจะคิดยังไงที่มันร้องอะอะเด็กบนลอยจะคยฮะเราคิดยังไง้หนมูันร้องเราคิดที่มันร้องมันบอกอยังไงรู้ไหมมันบอกประท่ า, ทาน <c oughs> แต่ก่อนเนี่ย ด้วยความประมาทด้วยการที่โขกวเราเนี่ยท้าพระเจ้าไม่สา ม, มารถจะรักษาร า, า, าสา ม, มาัญด้เพความประมาท แ, แท้จริงทำให้่านะเจ้าต้องเกิดเปอ่แล้วก็ต้องตัางใจโขเอาไปเชื่ออย่างนี้ว่ามแต่ท่านไปยังบ้านนะีถ้าะท่านเป็นพ้นะเการนี้จเจาเป็นมือรับมามันบอกตั้งานเราอ่ะเล่าให้ได้ไหอ่านรับสาไดนะ้มันบอกอย่างนี้ ยังต่นอกน ถาถามว่าสัตย์ฉาญไปเพราะอะไรมิจาทิฏฐิเพราะมิจัาทิฏีิท่านกล่าวว่ามิจฉาติฏฐิีคติอีกสองสัตย์ในโลกและสัตย์ฉาญเอาสิมิจฉกทิฏฐินีคติสองแต่ตอนนี้เราเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมนนสมาธิมีสองคติแล้วนะมิจาทิฏฐิแล้วรักษาได้ เรบอกสมาธิที่เสร็จแมเราพูดกันไปมีคำว่เาเราไหมเสร็จเลยเนี่ยคือคือตรงนี้ต้องถอดและมิจาที่ดีออกเองโดยวิปัสนาสมาธิถ้าถอดออกไม่ได้นะโอนานนานานดนะตรงนี้ก็คือว่าจะมามองยะระที่ไห น, น, นี่นบอกว่าสมนาทีจะได้อยู่เลนืนี้เย ถ่แว si ี ario, ่เป şey, ็นโลภะนะแนแหละถ้าบอกโอยกเป็ต <t> ึ <backdrop> <t> ๊งตึ๊ว่เจ้ากนจเ็วจะน่ที่จะมาก็เป็นยงนาเป็นาไปตรงนี้ก็คือในกาลนาเป็นเบื้องต้นอย่ามุจมสิดที่ได้กล่าวนะฮะด้วยดังกล่าวนี้ในกา ท่นี่จะลเป็นาเอาไว้ท่านจะบอกบอกว่าที่แม้แต่พระพุทธตักท่านก็พิพว่าพระเจ้าผู้มีพรกคุณาทียุ่งปัญญาปัหาที่สุดไม่ได้ขอเทพารและหู่นิมสุด้วยศิล้าแม้พระุโศท่านก็มมาตการแต่พระพุทธเจ้าเป็นนิพึุนผู้กอแก่พระมหาคุณาทคุณนะผู้ทรงกระทํารมที่ทได้ยากตลอดกาลนําโดยประมาณไม่ได้แม้จะร้าโรกับ ถึงซึ่งความยากกระดาษเพื่อประโยชน์เพื่อทุนเป็นต้ น, ตนฉะนั้นในคําสอนของพระบรมศาสดาพระศาสนาที่หายท่านก็ยกข้อพความไม่เห็นคุณของพระบรมศาสดาแล้วก็พัฒนาเส้นทางในการเดินทางยาวไกลในกันเป็นพระพุทธเจ้ า, านะท่านบอกบอกว่าพระผู้มีพระพุะทเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาได้ง่ายๆการตัดรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้านั้นมา ด้วยความลำบากจริงนะต้องใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูเส้นทางแห่งการสร้างกรมีตามคำพีสัมภารวิบากเนี่ยสมเด็จพระปรมาสดาก่อนจะได้ตัดรู้ปรมาพิเศ ษ, ษสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเป็นบอกเลยเองว่าแต่คุณอย่างมากมายเป็นอันเหงนั้นหาประมาณไม่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องสร้างความเพียรความอดหานอุตสาหในการที่จะบง่งโพริยา มีามที่ยังยืนด้วสิอยเป็นเวลาอย่างชาานถ้าทีพระพุทธจากของเราเป็นพุทธเจ้าประเภทปัญญาที่ก่คือทรงยิ่งด้วยปัญญาคำว่ายิ่งด้วยปัญญาในที่นั้นก็เป็นปัญยินีเรนแก่ก้ามากนถ้าเรามาพิจาณาูเนว่าปัญญินีนี่คือตัวปัญญาที่แก่ก้าเรปัญญาที่ก่ไม่ใช่ศรัทธาแก่ก้าไม่ใช่วิริยะ เราคิดดูดิคนมีปัญญาเร็วเนี่ยนะปัญญาแก่กล้าและปัญญากว้างขวางมีปัญญาที่มใหญมีปัญญามากมีปัญญาประดมขุนเขาภาษาอีบทตรมีปัญญาปัญญาของพระเจ้าไว้ในกะพีตั้งสวรรค์ดามากก็มีในกะพีมหานิเทศก็มีแม้ในชั้นของพรดีกาจาร์ก็ยังด่ากาาร์ท่านก็เอาคำของภาษาอีบุตรมาขยายขยับต่ออีกมากมายพระเจ้ามีปัญญามากมีปัญญากว้าง ทีนี้ถ้าพิจารณาหรือปัญญาเนี่ยให้สังเจตดูตอนที่พระองค์สร้างบารมีมาได้ยี่ี่สิประสงค์ขายยี่น้อยแสนกลับมาเกิดเป็นเจ้าใจเจ้ากรนะพอมีบุญรุ๊บแล้วออกบุเลยนะที่ยี่กลบเาแล้วนะความเร่งเร็วของปัญญาในตัดสินใจเร็วมากเนี่ยคือความแก่กล้าของปัญญาไม่รอเวลาเลยออกปกอย่างเร็วเลยทั้งที่เวลายังไม่ถึง อีกหกปีจะถึงเวลาตัดกระรัวแต่พระองค์ก็ออกมาก่อนเลยในความร่งเร็วของปัญญาจะได้รู้ว่านั่นคืความเร่งเร็วของปัญญานีนะพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญากิกะเขาเรียกปัญจีนีปัญญาพราหมณีแก่ดาวมาเหที่ปัญจีนีปัญญาพระเมณีก่าวเข้ามาจากสมาธิก็แข็งแรงมากสติก็แข็งแรงมากวิญญาณก็ศรัทธาเป็นต้นก็แข็งแรงเป็นต้นอย่างงี้นะ บุคคลที่มีปัญญ์สีแก่ก้าวน้ปรากฏพระองค์เน้นสร้างโพธิญาเนี่ยสร้างเพจะได้สัมมาสัมโพธิญาหรือบ่งว่าโพธิญาเนี่ยปราถนาพระทุนเนี่ยทั้งที่ปัญญาแก่กา้าก็ไม่ได้สร้างอย่างรวดเร็วนต้องใช้เวลาในการจะ่งมาไดอิทนทรียี่ยสกัสงขาสมม่ายยี่ด้วยแสนมาครับก็คือปราถนาที่บอกว่าอยู่ในใจเนี่ยคิดอยู่ในใจที่เรียกว่าโมโนวิารเจตก วจีปณิธานอีกเก้าสองขยัยรวมไปเสียสิบหกใช่ไหมแล้วกาย ว, ยวาจาอีกก็เป็นสี่สองขัยรวมเป็นยี่สิบสองข้ยพระราถาวจนาจารย์เนี่ยเขาทำไว้เป็นคาถาที่บอกว่าจินติตังสตสังขยยานาวสังขยยา เพราะตัวนิสสั์ของเราคิดวิจัยในเจียรติสมถะเปร่งวาจายก้าสมถะทำด้วยกายและวาจายสีส่สมถะแสนหมากับจึงได้ตั้งรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ระยะการตั้งแต่ศาส์าสนาของพรมเท ว, วะซึ่งเป็นสุดเด็ดมุภูริานะสาน ย, ยานมีสัาสูารตระจาเกยสมเป็นการปรานะ ตั้งแต่สำเร็จต้องมินไม่มมงกุฎภุรนาสายะมูีสัมมาสัญทรเถึงสัมมาสัญทาทีบังกรกเป็นการปราถนาด้วยวาจาตั้งแต่พระสัมมาสัญญาทีบางกรจนถึงพระเจ้าปทุมุตระในสอสงไขยตั้งแต่พระจาทมุตระถึงพระพุทธเจ้าเมื่อนามว่ากัสปะแสนกัดรวมเป็นสีอสงไขอีกแสนหมาเป็นการตรารบด้วยกายด้วยวาจาที่แยกออกเป็นสาการดป็นที่าว ทีนี้ถ้าพิจารณาเริ่มแรกตอนที่เริ่มตั้งมโนบุริทานปรานาพุธตะคุลมเนใจากันแรกในกรณีสวยประช า, าเป็นมโนหนุ่มหนุ่ที่ตื่นเต้ฟังไปแล้วเนี่ยนะแบกบมารดาท่ามาสมุทรที่จะยออเรื่องไม่รู้ใครจับได้อยู่ก่อนเป็นพนี้นะอดีตาการพ์พระโพนิสัตว์เกิดเป็นคนยากจนเข็นใจอยู่ในเมืองคัาระใช่ไหเก็บาาักผคุณได้ตัวเองจากป่ามาขายเลี้ยงมาดาอยู่มาวันหนึ่งกลังแปบกบ ก็ขายนะหิวนะก็นั่งพักติดโคลนต้นยีโคต้นไ่ต้นไทรเราพึงว่าขณะนี้เรายังมีเรี่ยวแรงแข็งแรงพอได้ความทุกข์ร้อนต่างๆเหล่านี้เราสามารถจะทนได้เลี้ยงดูแม่ได้แต่ในเวลาที่เราแก่เฒ่าลงไปแล้วเนี่ยหรือในเวลาเจ็บไข้เราไม่อาจจะทนความทุกข์ทนความเจ็บปวดทนความทรมานได้เราควรจะไป เธอเนี่ยนะควรจะหาเงินหาทองมาเลี้ยงมารดาให้ได้รักษาสูนเนี่ยเมื่อคิดแล้วว่าพามารด า, ดาไปไปรูเรือนทัเผาจะเรี้ยงยอดเป็เนไปในลักษณะเนียแล้วก็เดือนที่7เจ็ดเดือนกลางนที่ได้กลัพพาพามมพพบครั้งนั้นพวกพ่อค้าถึงความวินาศสิ้นพวกบริษัทก็แบ่งมารดาว่่ข้ามหาสิ่ครั้งนั้นพรมสุทาว่าคิดว่าร่วมไปถึงระสงถ่ายคุณบุคคลใดที่จะเกิดมาเป็นพุฎจาศอ สามารถจะตัดรูุ้เป็นคเจ้านี้ใหม่ก็คิดในที่สุดจริงๆก็นี่แหละเข้าไปในทางของปัญญานะนั้นนี้ในที่สุดจริงนั้นก็โดนจิ ต, ตเป็นตั้งกลางข้างในตรงนี้แต่ก็โอนที่สัตว์นั้นพรอมเดินใจก็เกิดความคิดในใจอบอกว่าเราตัดทะลุแล้วจะให้ผู้คนอื่นตัดทะู้ด้วยเราโ้นแล้วจะให้ผู้คนอื่นโอนด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ า, า, ขามได้ด้วยแล้วก็ว่าข้ามา สองสามวันถึงฝังพระเพ็มานดาเพราะโพิสัทวเนี่มันดาจนาส้นชีวิตก็ไ ป, ปเกิดในว โ, โลกนี่นะฝังมันดาโิษัทก็ไปตามยากรรมที่ได้กล่านั่นคือปฐมจิตูบาปฐมจิตูบาในครั้งนั้นเป็นหมากรุษหมากรุษจิตูบาที่มีพจน์ค่ามีสมารถรยาอยาเป็นเป็นปัจัานในการคิดเป็นเหตุใกล้ เพราะการตั้งจิตอย่างนี้เ็เป็นอธิฐา น, นบารมีนะอธิฐานบารมีที่คิดในใจเนี่ยเขมีอะไ ร, ป ร, ะมมรเป็นประทับฐามีสัมมาสัมโพมียาเป็นประทับฐาที่อยู่ใกล้ลคิดคคดูอานเราทั้งหลายนั้นนะีไชื่อเดียวกล้า ไ, ไม่กล้าบอกใครไม่ยอบอกค ร, อ, กค ร, อ, กครอยาก เคคิดไม่เราตัดะลงเรื่องงานอยูคนอื huh. moment, ่นะจรเราคนเราข้ามไปแค่ไหคนอื่ข้ามเค่ไหนหมดสังสารวัตรหาไปที่ไ้นไม่กล้าดูแต่มีข้อมูลนะใม่คิดแบบไม่มีข้อมูลไม่คิดแบบกม่ีข้อมูลไม่น้านั่นปัสสนใกกลับ้ดูสังสารวัตรให้ชัดแล้วก็แล้วก็เราศึกษาทกส่าศึกษาให้เอียนนั้นตั้งเ ทานป a ิมีศีลปริมีจากเวลาปริมีธรรมะปริมีเเรียนนังศึกษาปวนเดียวัเมตามรองรองท้ายใชแต่งตัว้ในวันที่จะตั้งยืนปรนอ๋อสมาานศีลตั้งจิตมั่นใช่ไหมศึกษามีความรอูเนนั่งางาตั้งจิตกับ ถ้าคนกัทำเป็นยางงนีลยเคยคิดไหกล้าไหมอ่างนี้กันตรงนี้นะแม้เราตระหนาเป็นพระเจ้าในพัวพระเจ้าบางครั้นั้นด้วยใจเ ท, ท่า น, นั้นแล้วนับป็นถ้วนเพื่อการจะรู้รเป็นพระเจ้านั้นในตอแนแรกๆนี่เรายอ้อนด้วยเดี๋ยวอีกม่กี่เย พอตอนกลางกลางเนี่ยนะก็ตั้งวิธีบรรที่ทางที่ได้กล่าวขอให้พเข้าไปย่อได้แต่จะรู้เป็นพุทธิยมีชื่อว่าโคตมะเนนาพวกเหมือนพุทธิย่าพระยาโคตมะในปัจจุบันนี้เอลยอันนั้นเป็นการสร้างปรารถนาเปล่งเปล่งวาจาต่อหน้าพระเจ้าแต่ก็ไม่รับพุทธบยากรอนนี้อีกกล่าวเนี่ยนะก็ได้ประการลดับท่านก็จะเป็นพุทธการรการกรรมทําในการที่จะบ่มเพาในการอีเป็นพุทธิย่าก็ไล่ประการลำดับในที่สุดจริงๆก็ได้หลังมาประชุมเป็น คีออส่สิบสิบหกอัสองไข่นี่นะท่านเป็นอนิจจาโพธิสัตว์แปลว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนเห็นไหมโอ้ยยาวมาเนียนะจ็ดหวก้านเขเลยไม่แน่นอนจนมาถึงนี่แหลในช่วงที่บอกว่าพระโพธิสัตว์นั้นนะเป็นอนิจจาโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นะ การประจวบเหมาะและได้รู้โอกาสสาคัญเคือเกิดมาเป็นมนุษย์เพระพาะภพพุทธเจ้าลงได้ยันหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้รับพุทธรรายามกรจากสํานักของพุทธเจ้าที่จะเป็นนื้อจากคนที่สัตว์คือเป็นพระโพิสัตว์ที่เที่ยงแท้แน่นอนว่าจะได้เป็นพุทธเจา้าด้วยเหตุนั้นนะครับมสมโตธาที่เป็นธรรมะจำเป็นอย่างยิ่งสําหรับพระโพิสัตว์ทั้งหลายต้องตั้งใจปราถนาก่อนนึ่ทั้งหมดเมื่อความปราถนาในธรรมะสมุตโตธาที่สำเร็จแล้ว ก็จะเขียนได้ยังไหลังย่งไม่ต้องสงสัยในแประการนั้นก็มีบอกว่ามนสตังลิงสัมปตี มีอุปนิสัยสมบัติตาดูเป็นปัญาในชาตินั้นได้พราะมปสามมาสุบรเจ้าได้บรรจารถสมบูรณ์ด้วยคุณก็คือสมาบัติแก่และก็พิญญาห้ากระทำการสลายิ่งใหญ่มีชันท่าอยสาหบำเง็ญพุทธการประธรรมเป็นต้นเห่างี้ลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าอัทธสโมทารนามสโมทาทั้ง8ประการทีนี้ถ้าาเป็นริราดูน่ก็ต้องเริมไปเสียสงขายด้วยแสนหมาตัำนะก็ว่าไปตาม ตรงนี้ก็คือว่าในนิยตา ร, ตรุปโภธิษฐานท่านมีคําว่าอุตสาหา์อุตสาหาก็คือนิยตา ร, ตรุปโภธิษัทนไม่ได้รับาารอุทยานกอแล้วย่อมจะสบาทานอุตสาหอนิจกุลทพยายามยังจิตของตนให้ประกอบไปด้ปาารูุสลอุตสาห์เขาบอกความพยายามท่นนหนุวแน่นมา ให้มีความบากปั่นเพียรในการสร้างพุทธบารมียิ่งยิ่ขึ้นไปตลอดทุกชาติที่เกิดคือตอนเนี้แรงมากเพราะจากสี่อาสงจากเลยสิบหกอาสงไยมานี่นะในช่วงจากสี่อสงไถมันช่มรุ่งแรงมากท่านจะต้องปราถหาว่าทุกชาติที่เกิดเป็นอะไรแล้วแต่นะท่านจะต้องบ่งบารมีก็แปลว่าประเภทวันเร่งนะเมื่อเราเคยเห็นนักกีฬา เวลาเลาเาวิ่งระยะยาวใหม่ๆนี่ก็ผ่อนๆใช่ไหต้องจะวิ่งไปเรื่อย ๆ, ๆใช่เอามีฬาผ่อนไปเรื่อย ๆ, ๆใช่ไมสุดท้ายก่อนจะมาเรื่อยๆจะมาเป็นนักเรียนจะ่อนเป็ไหมน่าจะผ่อนผ่อนก <ๆ S 2> ็น <ๆ S 2> จะผ่อนก่อนนะ <ๆ S 2> และ แ, แล้วพอพอมันเริ่มสมมติว่า ม, มันจะเข้าสู่กลรคงสุดท้ายเยยานี่ยอ้โนี้ เรียวแรงทุกคนหรือว่าปบกคนแต่ย <Fine. S 1> ัเร่งเร่งแล้วเร่งแล้วยิ่งเร่งนะไม่ใช่ยิ่งพอนะอย่างเราที่ยประเภทเป็นต้นน้ำดีสบายน้าเหี่ยวเป็นยุกเลยใช่มมันต้องมันต้องไปค่อยที่แรกจริงเขาจะพอนแล้วต้องไปค่อยแรการบำเพ็ญบารมีเป็นอย่างนี้แหละสภาวียาสติสมาธิหรือการบอกว่าท่านจะตั้งอัจฉริยะสายอุสาหะท่านดีนะ คือประเภทที่วิริยะเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของวิริยะเนี่ยถ้าวิริยะมออาขยายเนี่ยมันก็ไม่พอเลยนะด้วยเวลาจำกัดมากตักของวิริยะเนี่ยเยอะความเพียรเนี่ยมากใชเพราะลักษณะความเพียรเนี่ยเริ่มลองคิดดูว่าความเพียรที่บอกว่าเนื้อลเลือดจงหายจงเหมือ่อจงแห้งไปถึจะเหลือแต่นหนังเย็นและกระดูกกระตัน ถ้าไม่ได yes, so so so ้บรรล้สัมมาสติญาณแลวจักไม่หยุดกระจอมในการสร้างกรรมีนี่คิดแบบนี้รา็ตาท่านเลยทีกล้าพูดดังไมื่อเล่นจงคนไม่กล้าพูดเลยนะอาตถาญหาไปิดดีด้วยหาือปักิด้สียดายถ้าศรัทธาหาจะเลือนห จริงอะแล้วทำไมเรื่องเรื่อเรื่องศนทาแบบนี้ไ่ากเช่อเลยเ้าแม่ต้หม่อย่าบังลมากโปรประจันให้บังลุงศรัทธามิญาติเหยื่อมาทีปัญหาเยอมากเจ้าแม่นามาทงเหล่านี้ต้องหุยเยี่ยงต้องให้อาหารต้องปลุกตังนี้วันนี่เราให้ความใจ ดูลานดวมครโอหเหนีด้เป็นยุการดูแลดูแลทัางหชไเปิดชมรมดูแลสัทธาวิยาสติสมารถปัญญากชมรทีนี่บอกชมรมให้อาหารสัทธาวิยาสติสมาธิปัาใช่บอกว่าชมรมให้อาหารเสริมสัทธาวิยา มัตตนี่สมเด็จพระเยซาร์นะพอที่ศักด์นั้นท่านได้รับพุทธวิญญาณและย่อมสมาทานนะคุอุ ม, มตาต่างผู้ดำทำคือพยายามจังจิตสมโทนให้ประกอบด้วยปัญญายาให้มีปัญญาเชี่ยวชาญกล้าหารเชี่ยบแหลมเพื่อ ย, ยัมพุทธบารมีให้เจริญยิ่งตลอดทุกชาติที่เกิดก็บว่าความเพียรในสเก็ตท่นได้ว่าหนึ่งอันแรกเนี่ยเป็นอุตสาห์นี่ไหมในการปรถาถนาพุทธภูมิยางจิต ทุกตนให้ ป, ปหระไม่ด้กุศลกุศะก็คือว่าเพียรพยายามที่จะทําจิตให้เข้าถึงกุศลอมตะตาดีไม่เช่าเพียรในการจะเข้าถึงสมาทิฏี่ให้ยิ่งยวดเพราะปกติเนี่ยปัญญาในการที่จะคิดเป็นพระพุทธเจ้ากพร ะ, ระเจิยูพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกเนีนะระดับของปัญญาเนี่ยไม่เท่ากันนี้ท่านตั้ง ตั้งสัตตีสีวสไว้ที่สมาสมุริยานใช่หมท่านตั้งไงวนะ้น่นทีนี้ปัญญาก็ต้องให้ถึทีนี้พอปัญญาที่ไปตัง้งล็อกตรง น, นั้นไว้เส็นเนี่ยตัวอุหมาต่างเนี่ยคือวิรยิยะจะเข้าถึงอุหมาต่างก็คือว่าพระอริษัชนนั้นที่ได้รับปัญญาพอแล้ ว, ว, ล ว, ลว เ, นเนี่ยท่านจะบ่ือิยามยังยังจิตของตนเองนะให้ประกอบปด้วยปัญญา เมื่อให้ประกอบด้วยปัญญายาเพื่อเชี่ยวชาญอาหารเชี่ยวแหลมก็จะยังพุทธบารมีให้จเจริจริงๆก็แปลว่าเพียรพยายามในการที่จะดึงกระแสะของสงมาธิปัญาไว้ในใจแล้วลทวาําความกล้าหเพราะบุริยอบุรีรังเปรตวกร่างําความกล้าในการที่จะฝ่าฟันมุกสัตว์และไม่กลัวคนที่เป็นพวกมุกสัตว์ทั้งหลายท่านไม่กลัวอุกสัตวหรอก เพราะว่าควางทุกข์องสัต์ทั้งหลายยังเห็นมาหมดท่านเอาว่าทุกข์องสัทั้งหลายมาไว้ในตนหมดคือคนอื่นทุกข์น้อยแต่พระองค์ยอมแบกทุกข์ไว้ในตนเองทั้งหมดยืดระยะเวลาทางเกิดของตนนั้น่จากสั้นให้เหลือยาวให้ยืดยาวลงไปก็ยอมตกนรกก็ยอมเป็นสัตว์ใดราชาบก็ยอมนะจะทนทรมารเขาบรรลุ ปราถนาบรรลุแท้ายตัดรู้ได้ก็ยอมที่จะไม่ตัดรู้เนี่ยพระโพธิษัทก็จะคิดอันเนี้ยประการที่สามเมื่ อ, อาวัดานนะทั้งเด็ดภาพนะี้ต่บโพธิสัทนั้นน่ะได้รับเร้ทยาเท่คือคำพยากราและปัตตมาท า, า, า, านในวัดานนัพุทธธรรมพยายามยังติดต้องกิ น, นให้ประกอบด้วยอธิฐานอย่างมัน่นอ่งมัน่นใจเอาแรงความพยา ย, ย า, มามนี้ไปปรอบกินด้วยการอธิฐานเพราะอธิฐาน ม, มีสัมมาสังพิทญาณเป็นพนักฐา มั่นคงตรงซื่อไม่ให้หวันไหวคลอนแคลในการสร้างตุ๊กราบีทุกพบทุกชาติในไปกรอกไว้กับอธิษฐานบอกว่าถ้าจะเลิกร้องบอกว่าไม่ได้ขันนี้อธิษฐานแล้วจะไปรู้สัมมาสติ ญ, ญาถ้าขันนี้ไม่ถึงสัมมารสมญญาริยาณหรือบรมธรรมของสัมมารสริ ญ, ญาณกระแสะขันนี้จะไม่ตัดรู้ นี้กิเลสก็บอกว่ามันนานใช่ไหมแล้กิเลสมาก็เตือนว่าเนีนม่มันนานนี่ัดสก็สิมา ร, รูเองก็ได้ใช่ไหมเออมา ร, รู้ต่หน้าพระเจ้าได้ตาต า, ยายอยู่แล้วกิเลสก็เตือนวิริยะก็ละละทีบอกไม่เอาบอกย้ำว่ายังม่รบกวนใจเขาเลยไม่ ป, ปัดปัดความคิดนั้นออกไปกระแส บอกตอติดไว้การานิฐานนี้มั่นงบอกไห่นะพาะกระแสขันนี้ตั้งใจไว้แล้วจะเป็นจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิแล้วจะบรรลุสภาวะมุทะจะไม่เอามุท้าอเอกไม่เลยไม่เอาปัจเจกมุทภาไม่เอาสาวากมุทภาไม่เอาภิาสาวกมุทแต่จะเอาสัมมาทิฏฐินะไม่ธรรมดานะกิเลสสมมาตะลบบุลกวในกระแสขันใช่ั้มมัดมุมาลก็จะเข้งงากัน อภิสังขารมาร ก, ก็จะคอยตัดรอนเทวมุตตมานภายนอกคอยรบกวนเยอะแยะหมดถามว่พระองค์ว่าตรงทงมาได้อย่ า, ย า, ย า, า, ง, า ง, ยงไงลองไปคิดเอาไปคิดถ้าเราคิดตรงนี้ไม่ออกเนี่ยเรายังไม่รู้คุณของท่านอันนี้เธอเรามองเจออาะเห็นเห็นว่าทั้นปกติเนี่ยของเราเนี่ยต่อสูอส้กันตลอดสังเกตดิจะฟังมำของบูรุษนันก็ไปบูรุษเลย พอมีใครติดในใจหน่อยไหมโอ้งานเยอะิไม่ไปไม่ได้ติดกูละงานหนึ่งไม่จำสคัญงานอน่งสำคัญทุหมดเลยฟังทำเมินมาระดับสุดท้ายน่าห่างใจจริงถ้าเราดพกกระแสขันท่าไปแยกไปหน้าพวกเราได้หายแ่แน่ะแต่กองูสอท่าประกาศนิสิตท่านก่งไปที่ท่านท่าตั้งมังด้วยการนท ตั ıyor, ้งใจไว้ไม่ถอยหมายคนที Real ่ตั slash, ia, ้งใจแล้วไม่ถอยเอาเรื่องความหน้าไปอยู่แล้วไม่แย้วประเภทผิด้นยนะถูกด้วยนะอย่างขอกเราเาจะผิดที่แข็งแรงมากต้อเย็นเคยงอนพ่ออนแม่ออกจากบ้านโอ้ยโอ้ยยิว่ายิออกไปให่เลยใช่ไหของเราครับเดินผิดอ่แรงมากแต่จะเดินถูกบอกบอกชหเอออย่างป็นดีรปหาความคิดนั้น กระแสวิธีคิดตรงนั้นจะถอดรหัสออกก็ความคิดไม่ดีมันแรงความคิดดีมัน่อนทีนี้ความคิดดีต้องแรงกว่าความคิดไม่ดีดดดดออรดดประการต่อมาคือขาดกาเจริยาพระพโพนี้สามคนนะไม่ไึ้เมื่อได้รับภาษาโบราณเขาเรียกว่ารักพยาเทศคำพยากรณรักพยาเทศคำพยากรเห็นไหมถ้ายอมได้ยินคําว่ารัทพยาเทศคำพยากรณ์ยก็อย่างจไหม อาจเข้าใจไหมสามีท่านนยต่างตัวที่สามหลังได้รับรักษาาที่ทรวิากรแล้วอย่างรราเงี้ยทิ า, ๆๆๆๆาจคือได้รับรูธวิญญารจากูพระเจ้าองค์ก่อนกนแล้วอย่างนี้เขาเรียกนยต่างตัวที่สามถาจริยาของท่านก็คือสมาทานอัตาริยาพุทธธรรมก็มคือว่าพยายามยังจิตของตนให้ประกอบด้วยเมตตา ให้มีความสงสารให้จบับบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปูนแก่สัตว์ทุกทนหน้าอยู่เนืองนิจตลอดตั้งชาติที่เต้องหมายความว่ายังจิตให้เมตตาด้วยยังจิตให้จรุนาด้วยใช่ไหมบอกว่าเราต้องกรุนาสัตว์ทีถ้าจรุนาตักเตือนแล้วย่เวลาจะอยู่อยู่ไม่ได้ คนหยุดคนหยุดทําดีไม่ได้เหยือนแปลว่าความดีมันติดลงบนแล้วใช่ไหมอย่างเราเนี่ยการหยุดทำความดีหยุดง่ายหรือหยุดยากเอาท่านจะสวดมนต์แล้วหยุดสจือกมนต์ไการจะสวดมนต์ต่ออันไหนอันไหนยากอันไหนทำยากอันไหนทำง่ายหยุดสวดเนี่ยทำง่ายใช่ไหมเอาคิดกุศลเนี่ยคิดกุศลจะ ถึงว่าคิดคืการกระเวรกุางการกุศลศีลกุศลภาวนากุศเนี่ยการคิดให้ตอเนื่ยแต่การหยุดคิดอย่างไหนทำได้เนี่ยไม่มีหัตถการิยาถ้าคนที่มีหัตถการิยาองุปปันท่านไม่อยู่หรอกท่านมีเมตตาตบอยู่ถ้าหยุดใช่ไหมความเป็นเพียมองปรมีก็ชาลงใช่ไมแล้วกรงาของบุคคลอื่นเนี่ยก็ตักเตือยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ ก็เหมือนเนี่ยเหมือนคนจนหรือคนที่จะสร้างฐานะเขาเพียรพยายามนะเขาไม่หยุดหรอกส้าเกตดคุณได้าตีสี่ตีห้าออกจากบ้านแล้วหูตะลอนตะลอนเลยตัวเป็นเพียวหัวเป็นนอดเลยให้เรียหขยันกันขนาดนั้นเลยนะวิ่งทํางานกันถามลูกถามคลูกเขาไม่หยุด เราลองเจริญกุศลแบบนั้นดีเจริญแบบไม่หยุดหย่อนทีนี้การเจริญกุศลแบบไม่หยุดหย่อนเราคิดว่ามันจะเครียดไหมเอาเครียดไปเครียดถ้าเจริญกุศลเครียดจะเจริญผิดเพราะกุศลเนี่ประกอบด้วยโสมนะสเต็มเบาแล้วมีปราวดกินดีประสติความสูงนั้นกุศลอย่งเจริญยิ่งในรักความสูงยิ่งในรักความอบอุ่นไอ้ที่เครียดมันผิด เพืนบคนเป็นนังก็าถาลเราเพียนเราปิดนเดินทางปิดแ้วเรียนนัสือเาเพียนเราไปดูโรงพยาบาลกิตเวนแต่มาก็ไปเยี่ยมมีลูกศิษย์อยู่สองคนพอไปเยี่ยมพวกมันก็จาได้เขาล้อไห้มาก็เขขายบ้าเลยฟันแล้วเสียใจเรียนก็ทำตันงใจปฏิบัติ ที่จริงที่จริงเห็นแว่าเขาไปเอนายอุศก์กั๊ขัดเกลากันสอพระเจ้าต้องรับ่าอันนี้ต้องัดไปทำบาปไปดีเสียเลยนรณีเขาเรียกว่าพีเ็นพีแลวยังต้องเป็นพวกประกอบภาวนาสีนะสัมผสมาน ภ, า, ภ า, าวนาคือต้องมาเป็นบารมีทุกอย่างโดยมีกาลเวนทิรั น, น, นต การภาวนาก็ต้องทำเป็นบารมีทุกชาติโดยม่มีระหว่างขั้นตลอดสี่แสนเสียสงขาง ย, ยิ่ล้านแสนมากับกิรกรารภาวนาก็ต้องทำเป็นบารมีสีเสียสงข็งยิ่ล้านแสนกลับนี้โดนไม่ยอดเนแม้แต่กลับเดียวแล้วจัดกัดจ่าภาวนาโดยจะต้องทำเป็นบารมีด้วยความเคารพคือทําเป็นทําให้เป็นของหนักไม่ใช่สัตว์แต่ว่าก า, ท า, ทาตะตะรทำเท่านั้นก็หมายความว่ต้องเป็นหนักในสิ่งที่การทำ แค่จำเนียนการการกระเวย์พระชาติในการที่เราเป็นบารมีขระองค์ก็บรมเพาะมาตามระดับตรงนี้ได้กล่าวนั่นเลยที่สุดจริงๆก็สามารถจะเข้าถึงเส้นทางยาวไกลในการที่จะบรรลุเป็นต้นแบบนี้ได้ที่นี่ในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าหรืเมื่อเราศึกษาคำสอนแล้วเนี่ยจะทำให้เรานั้นอยู่งมวางมาากระจ่างชัด เขาเรียกว่าเข้าใจคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ชัดแจ้งเช่นถ้าเราสารายาบดังําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสาระาบิน ille, แล้วก็จะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะเกิด ค, ความเข้คขของอารมณ์มรรคสสารในตัวนี้นะนี่หมดเลยนะหมดแล้วนี่ต้องหยุดเลยเหรอือเปล่านี่กิจกรรมต่ออ๋อเขามีการพักที่สิณธีย แต่แต่ไม่ได้ทัเสร็จกหายนะเดี๋ยวคราวนีจะบใารเจอคุณศุลก็ไม่จบนะเาบอกว่าถ้าเจอคุศุลไม่จบก็นู้ยากตอนนี้เรื่องยินนะคนทำขึ้นๆกลางๆย่าไปทำคนแบบขึ้นๆกลางๆทำไม่ต่อวอันนี้อันนี้จบแต่ตอนนี้เราหยุดกันยี่